ที่เราเรามาตั้งอยู่เรื่องที่วราคงจะได้ความเข้าเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดีมากด้วยซ้ำและสามารถที่จะนำมาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเรา ไถ้าถ้าได้ประโยันก็ไม่ถึียเวลาถ้าที่ว่าหลาวกีที่ผ่านมาน ท, ที่เรีเกร้องมีความทุกข์น้อยลงมีความไม่มีวัน้อยลงมีความหลงน้อยลงมีความยาคอนการต่างๆน้อยลงมีความสุขสบายใจมากขึ้นก็แสดงว่าเราไปถึกงกาง ชีวิตวของเราไม่ความจริงไม่ไม่ไม่ต้องการอะไรจากภายนอกเลยสิ่งต่างภายนอกไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงกับเราถ้าเรายังมีความต้องการในจริงต่างๆอไม่ว่าจะเป็นวัตถุไม่เป็นบุคคลก็แสดงว่าเรายังยังหลงทาง ยังไม่เข้าใจถึงความสุขที่ท้จริงว่าอยู่ที่ไหนหนอยคนคิดว่าความสุขอยู่ที่การได้ได้การยาที่ดีได้ตำแหน่งที่ดีได้สิ่งต่างๆที่ดีแต่ในตรงนี้ไม่มีอะไรที่ดีจริงๆเพราะถ้าสิ่งที่อย่างในโลกนี้ลอวนมีสิ่งที่ไม่ดี ติดมาด้วยขายมาด้วยเพราะโดยธรรมชาติของสิ่งต่างๆนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงจะไม่คงเส้นคงวาไม่ดีเสมอไปมีขึ้นมีลงมีเจริญมีเ ส, เสื่อไปและเฉพาะโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นตัว ที่ไปรับเอาสิ่งต่างๆมาเนี่ยครเป็นตัวที่มีการเสี่ยงไปกช่นเดียกันก็คือร่างกายของเราถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็จะไม่สามารถที่จะไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราได้ดังเราต้องมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกาย เพื่อที่จะได้มองได้ดูได้ฟังได้รู้เปลี่นได้ลิน้อยลได้สัมผัสเป็นต่างๆถ้าร่างกายนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรแื้วสิ่ต่างๆที่เราได้มาโดยผ่านทางร่างกายมันก็ไม่มันก็ไม่ถ า, าวรคน เ, เดียวกันหรือว่าถ้าร่างกายของเราสมมุติว่ามัน ถาวแต่สิ่งต่างๆที่เราได้มาผ่านทางพยาธะะทั้งห้านี้มันก็ไม่ถาวรท่เสิ่งทุก อ, อย่างมีการเจริญมีการเสื่อมีการเปลี่ยนแปอยู่เรื่อยเพราะควา ม, มแน่นอนขางสิ่งต่างๆมันก็ภาวะที่ทำให้ความสุขนั้นเปลี่ยนไปด้วย เป็นใดที่เราทอบอยู่ในสภาพหนึ่งเมื่อเปล่นไปเป็นอีกสภาพหนึ่งมันก็ไม่มันก็ไม่สุขเหมือนเดิมมันก็การเป็นความทุกข์ขึ้นมาดังนั้นถ้าเรามองด้วยปัญญาเราจะเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ดีจริงๆ ที่ให้ความสุดกับเราจริงๆคือให้ความสุดกับเราตลอดหรือให้ความสุดอย่างเดียวทุกสิ่งทุงอย่างนั้นจะมีความทุกข์มีความขยันใจมีความยิ่งใหญ่มีความเสีย อ, อกเสียใจตามาด้วยคอาใจของเรานั้นเมื่อได้อะไรชอบอะไร ก็จะยึดติดกับสิ่งที่เราได้มาและอย่าจะให้มันเป็นเงินที่เคยเป็นตอนที่เราได้มาเงินใหม่แต่มไมนได้เป็นอย่างนั้นสิ่งที่เราได้มาแล้วมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปถ้าความรูม้สึกที่เรามีต่อสิ่งที่เราได้มาก็เปลี่ยนไปด้วยแต่เราได้เรามามใหม่เราจะรู้สึกในความทุกขวาน มีความยืนดีแต่พอเราเห็นเราได้สังเกตอยู่บ่อยๆจนปล่อความจังเกียร์เกิดความทิมชาขึ้ว่าความรู้สึกที่ที่ชอบยินดีนั้นมันก็มันก็จางายไปดังนั้นทกิ่องทุนอย่างเมื่อว่าสิ่งที่สิ่งที่เราไปยินดีมันก็เปลี่ยนแปลงกายของเราที่ยินดีกับสิ ที่สิ่งต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นความสิ่งต่างๆที่เกิดจากทางน้อสังข์ได้ยืนดูกับสิ่งต่างๆมันก็มันก็ักจางหายไปดังนขณะเดียวกันมันก็ยังมีความผูกันมีความหวแหนควาสิที่เราได้มาเราก็ยังไม่อยากที่จะให้มันจากออไป แล้วถ้าเกิดมันจากเราไปเราต้องจากมันไปเราก็จะเกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ขนมาดังนั้นพระพุทธเจ้าเป็นองค์ต่อให้เราเห็นว่าทุกสิง่งที่อย่างเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นความสุกข์ที่แท้จริงท่านทรงบอกว่ามันเป็นความทุกข์เพราะมันเป็นรื่อการเสียใจ อย่ก็เวลาและมันไม่ใช่เป็นของเราหรือตัวเราร่างกายนี้พวกเราจะกคนถ้าคิดว่าเป็นตัวเราในความจริงก่อนที่พ่อแม่เราจะมาเจอกันมันมทําให้เราเกิดออกมาได้เนี่ยเราอยู่ตงังไหนถ้าเป็นตัวเราเราก็ต้องมีอยู่ตลอเวลา ก็มีตั้งแต่ก่อนที่จะมีพ่อหน้าดังเสด้คแต่แต่ตัวเรามาโผล่ร่างกายของเรามาปรากฏขึ้นตเมื่อพ่อแม่ของเราได้ยนร่วมกันและญาตมีทางผสมกันก็จึงปรากฏเป็นร่างของเราขึ้นมาในทงเนื้และก็คื นั่งในทํางนั่นแล้วเรือตอนน้นก็มีเพียงสองส่วนนั้นจะมีส่วนของพ่อและส่วนของแม่ส่วนตัวที่เอาเป็นตัวเร้คือใจใจเรานี่ตอนนั้นก็เป็นดวงวิญญาณที่หาหาร่างอยู่หาร่างไว้ครอบคร อ, อ, อ, องด้วยบุญอริสลงของบิญที่เราเคยทำไว เราก็ได้มารับหน้านี้จากข้อจากแง่ของเราเป็นกิดการปฏิสัมพันเกิดกา ร, การจจร น, นเแตกตัวของของร่างกายนี้ในท้องเนถ้าเริญอยู่เก้าเดือนก็ข้อออกมาพอข้อออกมาพอเราเริ่มรู้สึกตัวตนเตือที่มา แล้วถ้าเรารู้สึกว่าร่างกายใ น, นตัวเราเป็นกอเราขึ้นมามันเหมือกัว่ามันดวงวิญญาณนี่มันมันหลับไปเหมือนตอนที่เราหลับเวลราเรานอนหลับนี่เราจะไมรับรู้เกี่ยวร่างกายของเราเราจะรู้แตกับเงี่ยนเหตุการต่างๆที่ประกอบในขณะที่เราหลับเี่เราฝันว่าเราไปเจอสิ่งนั้นเจอสิ่งนี้จะทาสิ่งนั้นไปทาสิ่งนี้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 กลัมาม า, มาเมือกลับมากลับมาเท่าล่างกลับมานับรู้กับความความเป็นฐานของร่างกายหรือว่าอกำรังกลังนอนอยู่อยู่รงไหนที่ไหนเราเป็นไทรซึ่งทั้งหมดนี้ตราป็นสมมติทั้งนั้เราเป็นอย่างเราเป็นใค เราเป็นลูกของคุณพ่อคุณแน่คนนั้นคนนี้ในที่ว่าอย่านั้นที่ว่าอย่างนี้ถเราเติบขึ้นมาแล้วเร า, เป า, เราเปไปทำกิจกรรมใะรต่างๆเราทำอย่างนี้ไปทุกวันทุกวันทำให้งุญว่าทำทั้งบาป ท, ท, ท, ท, ทำทั้งไม่ใช่บุญและไม่ใช่บาปนะถ้าทำดุญก็จะ เ, เห็นกับการ ส่เสริมพัฒนาจิตใจให้จิตมีการกระตุมากขึ้นถ้าทำบาปก็เหมือนจับการทำให้ใจิตใจเตื่นร้อให้มีความร้อนแรและพอเราตายไปก็เหมือนกับการหลับของเรานอนหลับไปหลับแบบไม่ตืน่นพอตื่นคึ้ก็ไม่ใช่ร่างกายแล้วแต่เป็นร่างของชาวโลกอันหนึ่ ที่คลอกาาจากท้องแ่ของคนใหม่ข้างหน้าคนใหม่อาจจะเป็นมนุษย์อาจจะเป็นนกอาจจะเป็นสัตว์อาจจะเป็นอะไรก็ได้เพราะนั้นตอนนั้นเราก็เริ่มรับสมมติอันใหม่ขึ้นมาอาจจะเป็นมนุษย์ก็ไเป็นมนุษย์คนใหม่อาจจะเป็นเพศชาิใหม่ชนชาติใหม่อาจจะเป็น อาจจะเป็นข้าหลังไปอาจจะเป็นแขกไปอาจจะเป็นไปก็ได้แน่นอนนเรื่องของบุญของกรรมที่เราฝากงานให้ดวงวิญญาณหรือดวงจิตดใจใเราในการสืบพบหนการอยนี่การไปเรื่อยๆของใจเราเพราะยังมีควาหมห น, นุนักดันอย คามหลงตักดการให้ใจยังมีความอยากมีความต้องการที่จะสัมผัสจนิ้กับตามมงคลขั้นห้าอยในรูปเสียงเปลี่ยนดโสดภะซึ่งต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในขณะที่ไม่มีร่างกายที่ตอนที่เราเหลงหลับไปก็ยังมีความต้องการในรูปเสียงเปลี่ยนรดโสดภะอยู่ แต่ตอนนั <Wars> ้นก็จะเป็นรูปถึงที่เราทูลพระที่จะจะคิดจะรู้จยรู้เขียนรู้คิดเขียนคิดกึงคานที่เราฝันไปตอนนี้เราจะสัมผัสกับพวกที่เป็นของคิดเท่านันรานั้นเราได้ไปรับประทานอาหารที่รานนั้นได้ไปมีความสุขกับสิ่งนั้นกับสิ่งนี้กับคนนั้นกับคนนี้ตอนนั้นเราไม่ได้ใช้ร่างก เพราะนั้นใจอไปด้วยจินตนาการของใจขาดาดะเราได้ไปครอบขัดเกีย่ยวกับเร่องนั้นเรื่องนี้มีความสุข ก, กับเรื่องนั้นเรื่องนี้และมีความทุกกับเรื่องนั้นเรื่องนี้พราะว่าใจยังมีความยินดีกับเหการณ์บางคั้งคมีความยินดีในกาล ในขณะที่หลัก็ยังสนในเรื่องเหล่านี้อยู่ามประหางานี้ก็จะเป็นเกวที่จะตัดแรให้เดนจิตงใจมนดวงวยญาณนั้นหลังจากที่นั่งกายในปัจจุบันนี้สุนทรนายกัแล้วไปหาญาติสอบไปในขณะที่ยังไม่ได้ร่างกายอยากนี้ก็าอาจจะอยู่ในสภาพของกายพลิกไปก่อ เป็นการที่มีความสุข่า ก, ก็เป็นพวกเพศไปถ้ากายที่มีความทุกมากกว่าความสุขก็เป็นทุกข์ไดพวกทุกทกขนืน้อเรานีเป็นเรื่องของจิตใจของเราเรืองเรื่องกระจายร่างในขณะทีมญญ่มีร่างกายอยู่เรือเรื่องคมดญญาณเมื่อเมื่อไมีร่างกายนี้เรื่องเรียกเขาเป็นเพื่อ มีความจบถ้ารกาเ็กาเรียกว่ามีตความความกระหายถ้าเารก็แปลว่ามีแต่ความทุกขุ่งร้อนเาผจิด้วยความโกรธด้วยความเกลียดด้วยความแขงด้วยความอาฆาตขยันหลาดนี่เป็นการ เปลีไปเปลี่นมาของสภาพจิตใจของเราอยู่เรื่อยเป็นนี้ใคอเรื่อยถ้าตามดายังไม่ได้รับการชำระพานหลงที่เป็นต้นเหตุที่ผักดันให้ใจิตใจต้องไปทําบาป ท, ทำบุญไปแสวหาความสุขต่างๆจะเป็นภายนอกที่เราได้มาพบกับพวกพุทศาสนาที่พยายามสอให้เรา เห็นว่าความจบสุดทแท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ตัดถึงต่างๆภายนอไม่ได้อยู่ตัดถึงเป็นวัตุณพระไม่ได้อยู่ตวัตถุข้าของเองินทองไม่ได้อยู่กับบุคคลนั้นกับบุคคลนี้จะอยู่ในใจของเราอย่นใจที่เกิดจากการทาความดีอย่ในใจที่เกิดจากก า, าละทิจะจากกา อยู่ใ น, ใ ก, นการที่เกิด่การภาะความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปเพราะถ้าได้ทําสิ่งเห่ น, นี้การจะมีความสุขมากขึ้นมีความทุกน้อยลงจนหมดกปนั่นที่สุดการทําความดีและการละบาปนี้ก็เป็นผลที่ออกมาจากปัญญาคือความเหน ที่ถูกต้องเพื่อสำนึกถือหรืว่าการทําความดีเท่า น, นั้นการนี้ทําปเทนั้นที่จะทําให้เรามีความถึกทำให้เรามีความถึกดั ง, ดงด น, นั้นเราจึงต้องสร้างปัญญาให้ได้เพราะถ้าเราทํามาทำเพียงแต่ทำตามเท่าี้พยายามทำความดีนั้นพยายามรักบาแต่ถ้าเรายังไม่ให าสางปัญญาเพื่อกำจัดความหลงเหลือพอเราตายจากท่านนี้ไปเราก็อาจจะดื่มไปก็ได้เรื่องของการทําความดีรับบาปเกิดเหมือนท่าดีนในสังคมที่เขามีแต่การทบาบาปไม่ทําความดีกันเราก็อาจจะทำตามทำไปได้พอเราถูกเหที่ตนของสังคมทักเตือนไป แต่ถ้าเราได้สริม้างสติปัญญาขึ้นมาถ้าเห็นว่าการเหตุที่เราต้องทําความดีแล้การเหตุที่เราไม่ทำบาบเนี้ยเพราะว่ามันเป็นเหตุที่จะทำให้มีความสุขไม่มีความทุกขแล้วก็ไม่มีความทุกข์แล้วก็เป็นเหตุที่เราไม่ต้องไปหาความสุขภายนอก ถ้าเรามีความลงว่ามันมัมมนกะหล่อให้เราตออกไปหาความสุขจากภายนอกเมื่อเราต้องการความสุขจากภายนอกมากเราก็จะทำความดีได้ง่ายเราก็จะทำความชื่อทำบาได้ง่ายเราต้องให้เกิดปัญญาขึ้นมาว่าอยากไปแสวหาความสุขจากภายนอกอยากไปหาความสุขจากคานต่างๆให้ท้องแสวงหาความสุข ภายนในด้วยการทําการของเราให้สงบถ้าใจของเราสุบมันก็จะเรานับความหลงที่จะไปทำให้เกิดความโลภความต้องการมากย่มๆนัน้นเราไม่มีความต้องการเราไปจนไม่กเกิดความโกรธแต่ความโกรธนี่มักจะเกิดเพราะเมื่อเราไม่ได้อะไรตามที่เราจาัดเสนอ แวลาเรายากได้อะไรแล้วเกิดมีผู้อื่นมาขัดขวางเราก็จ ะ, จะเกิดคนที่เขาขัดขวางรดัง mm hmm. นั้นการเง่าของปัญหาหต่างๆจะอยู่ที่ควาหมหลนตัวเองหลงตรงที่นคนคว่าไม่เห็นความสุขที่แท้จริงว่าอยู่ตรงไหนแต่เห็นว่าความสุขอยูภาย น, นอกอยู่กับ ค, คนต่างๆ อยู่กับเรื่องต่างๆอยูับอะไรต่างๆภายนอกเราตีน น, นกรตามไปตลอดเวลาแต่ตเนี่ยไปไหนมาไหนกันนักว่างน้อยถึงเลนเราก็ไปหาความสุขเนกัแต่เร า, าทสีส า, ามตีก็ไม่ได้หาอะไรเลยเก็อยู่ตรนี้เราก็มีความสุขไดนะ้เหมือนกันนั่นและเราเทงานดีกว้ากัน คือปัญญาเราไม่ไดทานทานความหลงความโลภของเราความโลภของเรามันฉลาดกว่าปัญญาของพระเจ้ามันจริงมันจะนำหน้านำทางการที่เราจะเข้าวัดบอกเรากลับเข้าวัดน้อยไปเที่ยวบอก เพราะฉนั้นที่เรามาเข้าหาพ ร, ระพุทธศาสนาต้นหลักที่อยู่ตรงนี้เองคือให้เกิดสัมมาทิฏิให้เกิดความเห็นคิดถว่าความสุดท้ายจรี้ต้องหาภายในใจเราอย่าไปหาจากสิ่ต่างๆภายนอกถ้าเสิ่ต่างๆแายวนี้มันไม่ได้เป็นความสุดท้ายจริงเนีนมีความทุกที่เราทกตอนนียัยกับวันนี้ก็เพาะสิ่งต่างๆภายนอกนั้น ร่างกายนี้ก็เป็นต้เนเหตุของความทุกข์พอมีร่างกายแล้ว ก, ก็ต้องดูแลรักษาต้องทุกข์ต้องหวานกลัวต้องกังวลกับความเป็นไปของร่างกายมีทุกกองหนึ่งแล้วยังไม่พอไปหาทุกข์ขึ้นขึ้นใหม่ฮะคู่กลองมาเป็นกองทุกอีกกองหนึ่แล้วก็ยังไปหาลูกตามมาเป็นกองทุกข์ตามมา ทุกทั้งนั้นอ่ะลองพิจารณาด้วยปัญญาอยู่หนม่งใแต่ความทุกข์ ค, ทคทนที่อยู่คนเดียวกับคนที่มีคี่คลองเนี่ยมีความทุกข์ช่างน้ำหนั ก, กหรือวาใครจะทุกข์มากกันาไหรเราก็มีอะไรเพิ่มขึ้นมาก็จะมีความทุกข์กับเป็นกันต่า ง, งมีเงินมากก็ทุกข์มากก็ต้องดูแลรักษาแล้วก็ต้องคอยหาเงิ อยเรื่ยวก็ต้องเสียเวลาไปใช้มันนี่ใช้กลับมาแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยนี่แลนะก่อนจะไปก็ต้องลุกมากัดการเตรียมตัวเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมตั๋วทานสือเดินางทำอะต่างๆล้กมาเลยพอไปเสรกลับมาแล้วเน่ที่ได้ไปสัมผัสจะเห็นวัระจางหเหื่อยเหนอยเหนื่อยเป็นอยู่ภางใใจเลย มันอยู่แต่ความอยากไปนี่มันเป็อย่างเงี้ยครวามหลงมันจะละถ้าความหลงละมันหลอกให้เราไปให่แล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันก็ะวนอย่างเงี้ยเจริวัดจักรเนี่ยนักสาวรกจับวนอยู่ในกลางมรรคผลสุห่เมื่เราป็นลูกเสียงติดรถกุาต้อจะวนอยู่กับเนื่องการแสวงหาลูกเสียงป็นรถกุศลท มาเตะมาสัมผัสมาให้ความสุดเพราะ้าใหอยู่บ้านเฉยๆเงินเบื่อหน่ายเห็นภาพทำซ้าเจลงเบื่อนนลายต้องไป้ำซาภาพแปลกๆใหม่ๆอยู่ไม่เลือกพอพอใครชวนไม่ไปเที่ยวี่ไนไม้สกเินจง เ, เจงินตาได้งานขึ้นมะจีบกัชุ่มกะชวยที่มาดี ถ้าการชวนเข้าว่าเลยเอาิดปลาย ห, หงไม่รู้จะไปทำไรต้าไปก็ต้องมีกิจกรรมมีงานอะไรที่จะไปงานดีงานกุศส ม, มีอะไรต่างๆให้ทำแต่ถ้าจะนั่งหลับาตาจะนั่งภาวนานนี่ยมักจะไม่ค่อยอยากจะไปอยาจะหาทางสุดภายจ่ายใ กับไปไม่ได้ก็ไม่ถนัดถนัดแต่หาทางกับไปนอกเวลาที่เราต้องทํางานที่ไม่ถนัดมันจะรู้สึกไม่สบายมันจะรู้สึกว่าลำบากยากเย็ยนและไม่มีความสุขเหมือนกับทําในสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราชอบเราจะต้องถือถ้าเราไม่ถือ เราจะไม่มีทางที่จะไปเจอกักบความสกข ท, ที่แท้จเราต้องมีการกาหนดเรา ม, มต้องอเขียนแผนที่ด้เลยวนะ่าปีนี้เราจะเท่าไรกูไเราจะปฏิบัต ม, มากน้อยเกินนะเราจะถีอถมากน้อยเกินองนะที่เราได้มานี้เราจะแ บ, บ่งเอาไว้ทุมากน้อเก น, นะร กำหนดมันไปเลยให้มันเป็นให้มันเป็นเป็นกรอบให้เราเดินแล้วก็พยายามให้มันให้มันมากขึ้นจากนี้ให้มันเข้ามาทางนี้ให้มากขึ้นให้มันออกไปทางทางลูกหายน้อยลงเรื่อยๆจนเข้ามาหมกตัวเลยทาโรคไม่เข้าใจ ยิ่งเกี่ยวแทนเลยแทไปอ่วัดตลอดเลยไปอยู่วัดในสถานะล็กอกหัโกงหัวกันมโกงหัวกันดไม่สาคัญเพราะนั่นเป็นเพียงรูปธรรมเป็นแบบเป็นแบบเป็นเครื่องแบบกั่านั้นเองการการเข้าวันที่แท้จริงต้องเขาด้วยใจที่ทุ่มเทให้กับการหาความสงสุขภายในแท หาปัญญาเพื่อที่จะมาทำงานความหลงที่จะคอยหลอกล่อให้ใสปหาความสุถภายในถ้าเราไม่กำหนดเราไม่มีเขาเรียกวอะไรเขาเรียกว่าเหมือนกับนกเวลาเป็นนกประมาณก็าจะต้องมีกำหนดเวลาตั ว, วนี้จะต้องใช้อะไรบ้างคำอะไร เราก็ต้องมีการวางแผนของชีวิตว่าปีนีเราจะต้องทำองไรบ้า ง, างยังสมัยที่งมาเคยปฏิบัติเคยตอนก้านด้า่่นใส่ตาอัียศนั่งไส่แล้วก็เห็นแต่ห้าเงินดีได้อยากจะนั่งมากขึ้นไปอพอพูดเท่านั้นยังทำงานอยู่ก็จะยตัดสินใจว่าจเดีหนึ่งก่ลนินใกลน้นปีป เดินเดือหน่งจะต้ต่ลบกทะพอถึงที่สามเตือนทงานก็จะขอลาออกกันเองหยไม่ทาไม่จะขอใช้เวลาหนึ่งปีทุ่มเทให้กับการปฏิบัติเดียวจไม่ทำอย่างอจะรับประทานเมื่อเดียวเลยก่อนเที่ยงจนขนมจากที่เราจะเดนเล ก, กับทางรรับประทานเนื้อเดียว ลตลอดวันก็จะเดินเป็นคนนั่นสนงสมาิการนิสิตธรระเป็นส่วนใ่จไม่ออกไปหาความสุขจาก ส, สาิงต่างๆในโลกแม้กับสมายที่ยังไม่เคยปฏิบัติสมาธนที่ยังไม่ปฏิบันีพ่พอตกรนเ้าขึ้นมาปับก็นอนแา่บ้านนะครับตายแล้วตายตัวเองเรไปที่ไหนเ้าไปขอได้ไป ตอนนี้เราไม่มใจแล้วแล้วเราจขออยู่มาวนาปฏิบัติยนบ้านีนถ้าไปทั่งนอกก็จะไปหาที่เงินสนที่เลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศด้านบางทีก็ไปหาเงินสนแถวชายทะเลบางมุมบางทีก็ไปนอนท่าที่เกาะล่างแล้วก็ภาวนาก็ความนว่าจะทันลงทำอยูักเี เราต้องมีเราต้องมีเป้าหมายมีการกำหนดการนว้เมื่อปีนี้เราเคยปฏิบัติได้ 10% ของเวลาปีนหน้าเราจะขอเพิ่มเป็น 20% เคยเข้า ว, ว่าเพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อปีืเราจะขอเพิ่มเป็นเดือนละครอะไรน่ี้ขนับงและังมีกำหนดการ แล้วพยายามปฏิบัติตามให้ได้ทำตามให้ได้ตามที่เราทำอยู่แล้ถ้าเราไม่กำอยู่แล้วปล่อยให้ไฟตางความรู้สึกความพอใจหรือรอให้มีเหตุการณ์ชักจูงเราไปมันจะไปยิดถึงไหนว่าเหตุการณที่จะให้จูงเราไปมันน้อยแต่ความรู้สึกที่อยากจะไปมันก็น้อย ความวิสึกของเรามันอยากจะไปที่ไหนมากกว่างั้นถ้าเราไม่ไม่ไม่ไม่ไไวางแขนไว้แล้วฝืนราดใจใส่ปล่อยให้มันไปตามความรู้สึกแล้วมันจะไปไนิดเพียงเราจะเสียเวลามากเวลาเราจะมี ห, หน้าทอีอต่อารปฏิบติเพราะี้ของเรานี้มันก็ไม่ไมยาวน o กราริด้างลงไปเยื่อน้อยลงไปน้อยๆทุกวแต่ถ้าเรากำหนดเวลา ว, ว่าเราจะตัองกปาหมาย น, น้อยเท่าไรแล้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเราแต่เราจะมีเวลาเพียงพอที่จะทำให้เกิดเป็นผลประโยชน์ขึ้นได้ันั้นเรตเราต้องพยายามศึกษาสังเท้สังคัน เ, เกิดความเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าความสับในเรื่องนี้มนั่นอยู่กับสิ่งต่างๆหรือคนต่างๆมีแต่ความทุกข์ตรงนี้เมื่อเราเห็เข้าใจอย่างนี้เราก็เห็นว่าความสับที่แท้จริงต้องใจต้องท่ั้งหนังใจต้องปล่อยวางลิกเห็นถึงลดสติปะต้องปล่อยวางความทุกข์ภายนอกต้องอยู่คนเดียได้ ต้องทำจุดให้สมรณ์ให้เน้นนะแล้วก็ให้เจริญปัญญาให้รู้ทันภัยหนุให้ได้มากที่สุดเท่าที่นะทำได้เพราะปัญญาที่ความเข้าใจที่เราได้ยินได้ฟังนี้มันได้ขาวรเสียเพราะถ้าเราไม่คิถีพิถันั๊บความหนุนของมันก็จะมาหลอกเราได้ทันที ในขณะที่เราฟองนี้เราแทจะเข้าใจแล้วว่าความสุขในโลกนี้ไม่มีแล้วก็ออกจากสถานที่นี้ไปไม่นานเดี๋ยวมันจะมาหลอกให้เราไปหาอะไรทิ่มหาอะไรดึงเมื่เราไปที่นั่นเจออะารที่เม่เราคุยกันเรื่องนั้นคุยกันเรื่องนี้พอเราเริ่งไปทำนั้นแสดงว่าปัญญาที่เราได้ยินในทางที่เรื่อถูกกลบกลน เราต้องไปอยูที่สงบเงืยบทํากิตใจใหสงบน้อพยายามเจริญความเข้าใจนี้อยู่เสมอเตือตรวเองเสมอว่าความอะไรต่างๆในเรื่องนี้ไม่อยู่ยที่จาจของเราท่านอยู่ที่ตรงนี้อยู่ในวัดอยู่ที่สงบสะดสับยิเย้อยู่ที่อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายนี่แหะคือความสุขแท้จริงอยากไปคิดถึงเพื่อนตรงนั้นคิดถึงเพื่อนตรงนี้นอยากไปหา เปนเนหาคนนี้อยากกระยางได้ถึงนั้นนี่ถึงนี่เราเป็นความหลงทา ง, งนั้นคือควาหมายที่เราต้องทำให้ได้เรานี้โดยสังเกตแล้วว่าความสุขในตัวเราไม่ได้อยู่ภายนกที่เราต้องยําอาไปปฏิบัติให้ได้เพราะว่าพอเราเถอปั๊บเนีความหลงจะหลอกให้เราไปหาคาสุขภายนอกแล้ เพราะว่าชีวิตของเราส่วนหนึ่งก็มีความตัดเต้นต่อการแสวงหาสิ่งบางสิ่งบงอย่างจากภายนอกเพื่อนมาดูแ ล, แลรักษาอัตภาพร่างก่อของเราที่เราต้องหาอาหารเรารับประทาหาที่ อ, อาสัยหายารักษาโรคหาเสื้อผ้าเครื่องมือของต่างแต่แการแสวงหานี้ก็อาจจะเผยถูกความหลงหลอมให้หาแบบ ไลยเถอก็ได้เธอไม่รู้จักสมาธิหาอะไรก็ต้องหาแบบดีล้อหู้คนะุ้ยวยสางนี้ก็การเป็นการถูกปลิดถูกทำอย่างนี้นหลอกแต่ก็ต้องใช้ความมาักน้อยสั่นโ ด, ดสมอเวลาเราจะแสวงหาในในเรื่องของปัจจัยสีเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหมดไปกับการแสายหา ตัดใจคอย่างของทานี้ท่านก็มีเวลาในกำหนดอาหารก็ตอนเช้าออกไปมินต์มาได้อะไรมาก็ฉันใจตามนีตามเกิดไม่ต้องไปปรุงแต่งว่ามันนี้จะรัประทานอาหารชนิดไหอย่างไรแบบไหนเพราะมันก็กลายเป็นความหลงไปแล้วเพราะถ้าปรุงแต่งนั่นเองก็จะปรุงกันเพื่อความสุขต้องรับประทานอาหารที่ถูกอกถูกใจ จะได้มีความสดการรับปฏิบานแนี้ต้องรับประทานหาเหลือนกับเติมน้ำมันเหมือนกับรับประทานยายานี้มันจะแต่งรูปร่างอย่างไรมีสีอะไรไม่สําคัญหมอให้มาให้รับประทานเราก็รับรทานเข้าไปอาหารจะเป็นชนิดไหนก็ไม่สําคัญชนิดรัสชาติยังไงก็ไม่สำคัญถ้ามันเป็นประโยชน์เราก็ไม่เกิดโทษ ที่แล้ไม่เก็บท้องไม่ไม่เจ็บไข้ไม่ปวดเพื่อรับประทานพรังเพื่อให้มันอิ่มเพื่อให้ร่างกายมีพลังงานที่จะได้อยู่ต่อไปได้เท่านี้ก็พอเราก็ต้องใช้มกนาวสันโดร์การรู้จักประมาณในการบริโภคปัจจสื่อเสือผ้าก็พอปกปิดร่างกายได้ก็พอไม่ต้องหเวลอไม่ต้องเกลือสดองดงาม ไม่ต้องพิษารณาเจ็ดเคล็ดติดทองจ็บขนกายเจ็บอะไรต่างๆนี่จะหมดที่อยู่อาศัยก็พอลงแด บ, บลมถึงได้ที่ปลอดภัยจากภายกัยต่างๆทางธรรมชาติและจากคนที่ไม่ไม่ดีทั้งหลายก็มีทั้งนี้เป็นสิ่งที่เรายังต้องแสวงหาจากภายนอกอยู่แต่ไม่ได้แสวงเพื่อความ แรงเพื่อเป็นการเติมน้ำมันให้กับรถของเราร่างกายของเราีเป็นเห ม, มือนรถที่จะพาให้เราไปสู่จึดหมายปลายทางคือความสุขภายในคือวิเศษที่พกกระพุทธเจ้ะพระอาหารหันต์ทั้งหลได้แต่สังถานได้มาครอบของปื้อใจที่สะอาดบริสุทธิ์ที่เกิดจากการทําความดีละบาณะชัะ่งละความความโกรธความหลงจนตึงนไป ด้วยการบำเพ็ญภาวนามีการรักษาศีลด้วยการทำดีให้ทางนี้นี่คือนี่คืออะไข่าวสารจากพระพุทธเจ้านี่คือคำสอนที่จะพาให้เราน่าจพบกับความสุขที baptism, mm ่แ hmm. ท mm ้จ hmm. ริง เมื่อเราได้รับข่าวสารแ ล, แล้วเราก็ต้องนำเข้ามาฝึกใจเรียกโอปปณะอิโกนเข้ามาเตือนสติเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆ ว, ว่าขณะนี้เรากําลังทำอะไรกันอยู่วันเวลาวันเพืนผ่านไปอยู่วันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรอยู่เรากําลังทําตามความหลงแลือเรากําลังทําตามพระพุทธเจ้า เราทาําการพุทธเจ้าเราน่าต้องทําเดินให้ทางรักษาศีลหรือภาวนาะก็ไดถ้าเราจะสนุกสนานเหตหาที่ไหนก็นเราไม่ได้ทำตามพระพุทธเจ้าพระพุทเจ้าท่านก็เคยอยู่ในวางอยู่ในโลกท่านกาเคยสนุกสนานเหตุแต่ท่านเบื่อเลยท่านท่านเห็นโทษตรงมันเลยพอยุยี่สิบเก้าท่านก็กระโดด นีแล้วนะเขา่าแล้วพวกเรานี่สี่สิบห้าสิบคนแนละ้วยังไม่เห็นหนะนึ่งนะแล้วมันอะไรจะเห็นนยพระอาจารย์เมตาทั้งสองที่เป็นเรื่องความสุขนะฮะงานมาวดที่นี่มันสิดเที่ยวมาก มันก็เป็นความศคนละแบบนะฮะมา ว, า ว, ามา ก, ว, าวก็ม่ที่ากมาไปเที่ยวก็ังอยากเที่ยวแตจะมาล้านตัว น, นี้ไี้นะฮะได้ก็ให้เห็นว่าความทีความศก ท, ที่เกิดจา้รเที่ยเหมือนมันเหมือนความศที่ได้กัญญาเสติถิ่นามจริงมันเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งเพีย <c oughs> แต่ว่าสังคมยังรับยอมรับกันได้แต่การเที่ยวนี้ทาให้คนทิ่หายว า, ายวอนมันกเยอะเหมือนกัน ถ้าลองเที่ยวเดยแบบไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีประมาณานี้หาเงินหาทองมาได้เท่าไหร้นก็จะหมดกับการไปเที่ยวไปกินไปเรื่อยเหมือนกับการความสุขที่ได้จากการเสกสราญามังหรือความสุขที่ได้จากการสุขุลีก็เหมือนกันมันเป็นความสุขที่มันเผาผลาญที่มันทําลายชีวิตเรามันไม่ฉุก มันไม่ส่งเสริมไม่ชีวิตเราดีขึ้นสูงขึ้นอย่างน้อยมันก็ไม่ทําให้เราจเจรินขึ้นถ้าไม่เสีย่ยมลงมันก็ไม่ทําให้เราเดินขึ้นถ้ามากกว่านั้นมันก็จะทําให้เราเสี่งมลงได้หรือถ้าเราเที่ยวพอประมาณรู้จักบาลานซ์ที่หล่อในสม ด, ดุลเที่ยวพอประมาณไม่เผงกับอต้องไปทําบาตทํากรรมไปทุกริต จะพิจารณาิม่ชอบเพื่อจะได้หาเงินมาแต่เที่ยวนี้ก็อย่างนั้นมันก็ไม่ขาดทุนแต่มันไม่ได้กำไรจากการนั้นมันเกิดเป็นนี้ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่เป็นเหมือนกับเพชรย่ำหนึ่งที่เราสามารถจะเป็นเจ้าของได้ที่เราสามารถเอามาครอบครองเป็นของเป็นสมบัติของเราได้ แต่เราก็เป็นเหมือนกับไก่ที่ได้พอยเห็นไส้เดือนนี้มันดีก่บพอยเพราะไก่เนื้อไก่นี้กิพอยไม่ได้ไก่เนื้อไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าเอาพอยนี้ไปขายแล้วจะได้ไส้เดือนเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกิโลเก็บไว้กินไม่ต้องไปคุยไปค้นหาให้เหนื่อยยากทุกวนเราไม่เห็นคุณค่าของความสงบของจิตใจ ที่จะให้ความสุขกับเราไปตลอดแบบที่เราไม่ต้องไปขนขวายไปวินน่งโดนไปวุ่นวายกับกาไปหาความสุขจากการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ไม่ไม่มีความอิ่นความพอจากการที่เราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอย่างนั้นความสุขที่เราได้จากความสงบ น, นี่มันจะอิ่นมันจะพอใจตลอด ู่ที่ไหนก็มีความสุยู่ที่ไหนก็มีความอิ่มมีความพอไปตลอดอันนี้เราไม่เห็นกันเรายังเป็นเหมือนก่ด้านพรอยด้านพอยก็เฉียดถึงไปเสียดถึงไปคอยหาตัวหนอตัวไส้เดือนกินไปวันวันถ้าเราไม่เห็นเราก็ยังต้องทาอย่างนี้ไปเรนะื่อยๆถ้าเรายังเสียดย้เรื่องเที่ยวอยู่นี่ก็แสดงว่าเรายัง ห่างไกลมากอาจาอาจจะ็นว่าเวลาเราไปเที่ยวเองก็มีความสุขนะคะเห็นไม่ทันอยงี้าสุขสนชื่นะคะเานั่งภาวนาเนียอะรเงี้ยบางทีเราก็ยังเพ่อนสงมันก็ยังไม่มีความสุขเท่าไหร่ใาเที่ยวการก็ของดีมันก็ยากของดีมันก็ง่ายน่าเป็นอยางไงเราได้เืี่อวแล้วมีความสุขนะ เราเราเรากลับมาอยู่บ้านแล้วไม่ทำแบบเพื่นตอบก ไ, ได้หแต่เพื่นหลายๆคนในที่นีไปเที่นี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยนะอย่ามาอย่ามาัเสียง <c oughs> นี่นี่ทามาี่ปไตยคือความจรงิงไม่ใช่เสียส่วนมาก แต่ใช่พวอะไรพวกบ้าบ้าไปัครัวลาพิจารณาดูสินะคะบางครั้งเมื่อเราพิจารณาในในทุกที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะพักมันมันรับรับได้ทันทีแต่ด้บางเรื่องในนะคะในการเพิจารณาบางทีเราไม่ยอมรับมันแต่มันเหมือนว่าเราไปจนกระั่งถึงตรงหนึ่งแล้วมันจนตรอกพอถึงจนตรอกตรงนั้นเราเรยอมรับมันมันจะต่างกันตรงไหนรู้สึกว่าในการจนตรอกเราเรายอมรับมันเนี่ยนะคะมันจะเหนื่อย เมื่อมาแต่ต้แต่ก็คือตรงนั้นมันไปไม่ได้นะเรายอมรับค่ะแต่มันจะต่างกันกับตอนที่ที่มาบางเรื่องเนี่ยเราเข้าใจโดยที่เราโดยทำอย่างเราเข้าใจเลยแต่แต่มันก็มันก็ระงับด้วยกันทั้งสองอย่างความตรงมิตาแต่ย้อยก็ไม่ต่างเห็นแลว่าเกเรตบางตัวนี่มันมันดื้อมันมันฉลาดอยู่มันก็พยายามเพื่อจะดิ้นเขาเลยอัตแบงแต่เนื้อปัญญาก็ต้องตามไปประกบอยู่เนื้อจนกว่าปัญญาจะ จะทาจะเรกว่า pues ก็จะทาให้มันจนเงินได้ถามันไม่จนเงิมันก็ยังจะมันก็จะมีข้ออ้างไปเรื่อยๆอย่างเมื่อวนี้ก็อตัวเองไม่้องก็อ้างคนอื่นการจนเงมนันั้กันการเห็นทุกอย่ เขาถึงก็ไม่รู้เรื่อยเกิดเกี่ยวกับเราเลยเราเป็นเป็นคนไปเป็นดินเข้ากมาเกี่ยวข้องด้วยคนเด็กก็อาจจะไม่คิดเหมือนเราก็ได้เหมือนเราก็ได้ใช่ไหมมันไม่น่าจะเนี่ยมันมันเป็นเหตุของของกิเลสที่จะหาทางออกไปเรื่อยๆถ้าปัญญาของเราเปิดจักรยมันได้เป็นกระทันบนจนว่ามันจนแล้วมันก็ต้องหลาบ นี่ที่ว่าบางเรื่องมันไม่ต้องไปถึงทั้นนั้นก็เพราะว่าปัญญาเรามันเรามันคะ้าระอยู่กำลังมากกว่าแล้วมีความหนัก ง, ง่นกว่าการเฉลเลยได้รับหมัดเด่ของปัญญาหมัดเดียวมันก็สรบแต่บางตัวเนี่ตั้งกี่หมัดมันก็ยังไม่ยอมสลบโดดเต้องใช้หลายหมัดเลยบางบางชนิดก็มันมันขึ้นอยู่กับ ที่มันมันมันฝังอยู่ในวิสัยสัมดาแล้งว่ามันอยู่เล็กมากนอเพียงไรเหมือนกับเจ้าที่เราปักไว้ในดินถ้ามันไม่ลงเล็กมากดินคลื่นถอยขึ้นมาง่ายแต่ถ้ามันลงเล็กมากมันก็ต้องใช้แรงมากกว่าใช้เวลามากกว่าถึงจะถอยขึ้นได้เพราะฉะนั้นมันไม่สําคัญว่าจะกระชากหรือจะ สงคัญอยู่ที่ว่าจะกำจัดมันได้หรือเปล่ลาจะถอนญาถอนโกนมันขึ้นมาได้หรือเปล่าแต่ถ้าเราเห็นว่ามันเต็มไายรัดเห็นว่ามันเป็นทุกข์แล้วเราก็จะเราก็จะถอนมันได้สังเกตว่าพอถึงวันตาถึงตรงจนจอบเนี่ยมัน มันจะมีการเหมือนมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันก็ทําให้วางลงใึ่ไหมคะแต่ว่ากับมันจะแล้วแตูกสงค์แตว่าการวางลงตรงนี้มันต่างกับการวางลงในตอนแรกที่เราเข้าใจเลยไหยเราก็จะเห็นมันแล้วเราวางลงมันเดบางเรื่องเราวางลงเพราะว่าเหมือนกับความจำยอมมันจำหนวนมันไปไม่ได้อะเราเหนื่ยเราเลยวางมันลงก็แล้วแต่มันจะอย่างไงก็ได้ขอให้มันยอมก็แล้วกันจะยอมแบบง่ายๆหรือยอม อย่างแบบยากขณะบางอย่างก็ยากโดยเฉพาะอย่างนี้เรื่งความกลัวตายเนี่ยเราไปที่สุดเลยถ้าเราไม่เห็นว่าความลัอกตัวรัวตายเนี่ยมันเป็นโทษมากกว่าความตายเราก็จะไม่ป่อแต่ถ้าเราเห็นว่าขาะเนี้ยเราทุกข์เอเกินทรมานเือเกิ น, น, เ, กนเพราะความกลัวอย่นต่งางๆเพราะเราไปอยู่ในที่มีบว่ยากมีภยัยรอบด้าก แล้วภัยรอบด้านนั้นแต่มันก็ยังไม่มาถึงตัวเราแต่ความกลัวเนี่มันมาถึงตัวเราแล้วเราจะเห็นว่าความกลัวเนี่ยมันมีโทษมากกว่าภัยรอบด้านแล้วถ้าเรายอมยองกายอ่ะพอเรายอมเท่านั้นแหละให้ความกลัวที่มันอยู่ในใจเรานี่มันจะหายไปหมดยมันจะเกิดความสงบกิความสบาย แต่ความสุขขึ้นมาข่างกลางภัยต่างๆที่ล้องรอบตัวเรแต่มันจำไม่เป็นไัยเหมือนกับภัยที่เกิดขึ้นอยู่ในการคือความความรักตัวกลัวตายที่เราจะไม่เห็นได้ตัวความตัวรักตัวกลัตายเนื่องจาเราไม่ไปอยู่ในสถานที่ที่มันมีภัยรอบได้เพราะว่าตัวนี้มันจะไม่ออกมาอย่างที่เราอยู่ตรงเนี้ยตัวความรักตัวกลตายมันไม่ออกมาแต่ถ้าเกิดมีภัยโยนอยู่ คิบเขามาใสในสางาสาราสักตัวดูไทยจะกระโดดขังไทยเงิน <laughs> มันเป็นไมออกนะะถ้าเกิดมันกระโดดไม่ได้จะทํำยังไงกันถ้าทุกคนต้องนั่งนิ่นถูกทุกถูกนั่งแล้วถู ก, ถ ก, ถ ก, ถกมัดไว้ให้นั่งหรืออย่างเนี้ยดูจิตใจมันจะดิ้นยังไงกันถ้าจิตใจที่มันตรงได้มันก็ไม่ดิ้นเพราะหมายว่ามันทุกข์ร้อนที่ไปกลัวความตายดูยอมตายดูจ่า การตายแล้วกลับไม่ทุกเนี่ยถ้ามันมันเห็นย่างนั้นนะมันมันมันมันก็จะสามารถทําลายความรักตัวหัวตายได้ซึ่งคนก็เป็นทางมหลงอย่างนี้เพราะว่าถ้าพิจารณาด้วยปัญญาแ ล, แล้วเม่ท้ายใจร่างกายมันก็ต้องการอย่างดีร่างกายมันก็เป็นเพียงวัตถุชิ้นหนึ่งที่เราได้มาครอบครองอต่เราไปหลงมันว่าเป็นตัวเราของเรา เพราะมันติดมาติดอยู่กับใจตั้งแต่วันที่ข้อดอักมาจา ก, จากท้องแน่ตั้งแต่วันที่จิตใจเริ่มติ่นขึ้นมาเริ่มรับรู้เห็นร่างกายร่างนี้มันก็ถูกความหลงหลอกว่านี่เป็นตัวเราของนางแล้วก็ไม่มีใครมาบอกเรา ว, าว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าถึงว่าพ่อแม่เป็นพัะกุศลเจ้าเป็นพ่ะนี่นก็จะาน้อยขอเนี่องจกลูุน นั่นมีเดียก ว, ว่ามีร่างกายนี้มีอย่างนึงนะะมันทีแท้จริไม่ใช่ร่างกายนี้แล้วรู้ก็เป็นตัวดวงวิญยาที่มาครอบครองร่างกายนี้คือตัวรู้คือตัวใจร่างกายนี้จะเป็นมาถ้าไม่ต้องใจเสียไดย้มันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายจะให้มันเป็นไปมันไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วมันก็ต้องไปอยู่ดีถ้าเรายอมให้มันไปมันก็จะยึดติดกบมัน เ้าจะอยู่อย่างมีความสุขตลอดเราจะไม่มีความทุกกับความเป็นไฟของร่างกายร่างกายจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรตะแกะ่จะเจ็บไข้ได้สวดจะมีพิษภ า, ายอะไรต่ามมาคอยทำลายจะรู้สึกเฉยจะสามารถไปไปได้ทุกแห่งทุกคนที่คนที่คนก็ไม่กล้าไปที่คนทั่ไปจะไม่กล้าไปไปในปาช้าไปในปา่าลึก คนส่วนย่างจะไม่กล้าไปแต่เราจะไปได้อย่างทุกขบาลจากห้ทำงสมอานเนคนสอนตั้แต่เริ่มเป็นเด็กมาเนี้ยมันก็จะเชื่อใาเขาไปไหนไปเนี่ยหรือเด็กจะรับได้ไม่ได้ก็อยู่ที่เนี่ยอยู่ที่จิเหลวของเด็กั้หะว่ามันมันแรงกว่าแรงมากหรือลรงน้อยถ้าถ้ามันถ้ามันจิเหลวมันน้อยมันจะรับได้ง่ายมันก็ ปัญหาก็จบง่ายถ้ามันรับได้ายากก็ต้องคอยสอนคอยอะไรอยู่เรี่ยแล้วก็ต้องให้ไปประสบกับเหตุการณ์จริงๆแล้วให้เลือกดูว่าความทุกข์ให้เห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นใจากในใจที่เป็นหลงยึดติดว่าเป็นตัวเราของเรามันมีโทษมากกว่าการตลอวางการยอมรับความจิงว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราการยอมรับความจริงนัถ้ามันจ ะ, จะไปมันจะเป็นเร า, า ไ, ไปไม่ให้มันไป แล้วจะเห็นความสุขความสมุกที่กิดจาการยอมรับถ้าเห็นนี้แนละ้วต่อไปก็จะสามารถที่จะใช้ใช้ใช้ความใช้ผลอย่างเนี้ไปใช้กับสิ่งต่างๆอย่างอางื่นได้แต่ถ้าเราปล่อยหร่างกายไม้ได้รา่างกายเองก็ต้องปล่อยได้หมดเพราะคุณเองนี้มันเป็นของรองลงมาจากร่างกายเพราะสมบัติทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรจะมีค่ายิ่งกว่าร่างกายนี้ คือพระเจ้าประกาศว่าครับอวัยวะนักชีิตชีวิตนี้มันเราเราให้น้ําหนักกันมากที่สุดมากกว่า อ, อวัยวะคือเราต้องตัดใช่หมตัดขาแล้วก็ยอมถ้าเรายังอยู่ได้ต้องไปผาตัดไดยอมผ่าเพื่อที่ะจะรักษาชีวิตเราเพราเรายังรักชีวิตนี้มากกว่าเแล้วเจ้าบอกว่าให้รกักใจมากกว่าให้รักฐานมากกว่า ธรรมก็คือความสงบของใจนี่เรียกแต่ธรรมถ้าอยากใจใจสงบให้มีความสุขใจก็ต้องละได้แม้กระทั่งสีวิเพราะชีวิตนี้มันไม่ใช่ของเราถึงไม่ใช่ตัวเราที่จะละไม่ได้ละได้เพียงแต่เราไปห็นม่เยึดติดในเองแต่ใจนี้เราละไม่ได้ต่อให้เราอยากจะละเนี่ยจะละไม่ได้เพราะมันเป็นของเรามันเป็นตัวเราแท้ๆเองมัอยู่ของเราตลอดแต่เราไม่รั้ใจของเรา เราจะหลงเ ร, เราคือร่างกายเราจะทุกข์ึงวายกับร่างกายที่มันจะต้องจกลงไปไอ้ที่มันไม่จัดงอไปก็คือกามันมอยู่กไปไปับเราไปตลอดเ้ากอยู่กับเราไปตลอดแต่เราไม่รู้จักรเพราะเราไม่เคยมีใครสอนว่ากายเราจัดเอไถ้าเราไม่ภาวนาเราจะไม่รู้จัก เพราะใจถุดความหลงหลอกให้ไปเห็นสิ่งต่างๆภายอดไม่ให้มองกลัี่ายูที่ตัวตัวใจวใจก็อย่างที่พูเนี่ยใจหเป็ น, น, ปนจักรวาลหนึ่งจักรวาลภายนอกก็เที่เราเห็นด้วยตาอะไรเส้นดวงดาวตางในจักรวาลแต่เราลองเราหลับตาดีเราจะเห็นจักรวาลอีกจักรวาลภายในขอ เวลาเรานั่งภาวนาเนี่เใช่แล้วถ้าหูถ้าผูไม่รับเสียงอะไรไม่รับรู้นั่งก็ทางร่างกายเน่ยแหละเองเราก็จะเห็นว่าจใจนี้มันเป็นกะวันตะวันเนี่ยอันนี้แหละที่เต็มไปยตายพบมันอยู่ในนี้เนี่ยนรกสวรรค์ก็อยู่ในตะวันภายในนี้แต่เรามองไม่เห็นกันที่เรานั่งทอนาแล้วไปเห็นกันแลเห็นสวรรค์ก็ความหมายไปเห็นอย่างนี้เห็นด้วยปัญญาไม่ใช่ ว่านี่แหละโมันอยู่ในนี้เองเวลาที่กายเรานุ่มร้อนเนี่ยกายเราก็ไปนรกนละ้วเวลาที่กายเราสงบเียน็นเราก็ไปสวรรนคะ์นล้วเวที่มีความสุขเราก็ไปสวรรนคะ์แต่เป็นความสุขที่เกิดจากทำความดีนะไม่ใช่เป็นความสุขแต่กาไปเที่ยว <c oughs> อันนั้นเป็นนรกที่มันเคื่อนโยนต่างวัน มันมันเป็นสวรรค์เดี๋ยวเดียวพอมันกลับมาบ้านสภาพอากาศถึงนนรกกันจริงบ้านเป็นเป็นสถานที่ไม่น่าอยู่เลยลที่ท า, ทางที่บ้า น, นี้ควรจะเป็นสถานที่ที่น่าอยู่ที่สุดแต่เป็นสถานที่ที่น่าเบือ่อน่าเบือ่อใหญ่คุณจะต้องอนี้ออกจากบ้านอยู่เรื่อยๆแล้ว <c oughs> <c oughs> งร้าทงสอนให้เราปฏิบัติก็คือให้เราให้เข้ามาสื่อภายในใจให้เข้าสู่กัตวามภายในให้เข้าไปเห็นให้ให้เห็นอย่างแทเจริงนรกสวรรค์นรกอยู่ในอสวรรค์อยู่ในันพระอริยเ้พะพุทก็อยู่ในใจในจขงเราน้าตึงของเราอย่างแท้จริงสวรรค์ก็เป็นของเรานรกก็เป็นของเรา เราสร้างขึ้นมาเองเราทำบาปทากรรมทำในสิ่งที่ไม่ดีเีนะเราก็สร้างเราลหกขึ้นในใจในใจนะเราทํำทานดีล้วก็สร้างสวรรคขึ้นมาในใจเราภาวนาเราก็สร้างนิพพานขึ้นมาภายใจใจนะอยู่ยนใจนี้ใจนี้ตื่นจากละานที่กว้างอย่างไพศาลแต่เรามองไม่เห็นเพราะเราไม่หลักตากัน เวลาเราหลักก็ไม่มีสติกันอะไรไม่นับ ด, ดูกันเหมคนเราเหล้าหลับ ก, กันถ้าหลับแบบมีส ต, ติก็หลับแบบภาวนาแบกลางและภาวน า, าแล้วก็จะเห็นวิโรกเห็นสวรรค์เห็นเทพเห็นอะไรต่างๆเห็นว่าผมไม่ตายมีในกายมีทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่นห้คนเหอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องไปอินเดีย เมื่อทไปหาต้องพุทธกาหาต้องทำหาตัวเองผูดใดเห็นทรามพูดนั้นเห็นราภคาถาแจ๊กพดอะก็ต <c oughs> <c oughs> ้องทเรื่ยก็ต้องทเรื่อยๆนะมนจรีบไม่ต้องทำคนเดียวแล้วมันจะเหมือนฝากเงินในธนาคารสิบบาทแล้วจะให้ลงการเป็นล้านบาทขึ้นมา้เร มันก็มีอยู่5ดบาทเร่ยแต่บางธนาทางเขาก็หักออกันเรืเลยก็มีค่ามักาเงินชีวิตคือหว่างที่เราพิจารณาไปใช่ไหมคะรงให้เป็นคืเข้าใจในจุดๆหนึ่งด้วยเหตุผลใช่ไหมคะกับกับธรรมะที่เกิดขึ้น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 เรื่องที่เราต้องปล่อยวางต้องตัดไปพอเราตัดได้ก่อนได้ความความรุ่นร้อยในใจก็ตัดาห้ไดบความสงบาย ใ, ใจก็ตัดสงบลงไม mm hmm. ่ห่วงให้จะติดทุกข์ว่าไม่ติดทุกข์อี่างเงี้ยติดก็ติดเนี่ยพอเรายามติด็จเท่าน้นความทุก์ในใจมาให้ไดแต่ถ้าเรายังไม่อยากติด mm hmm. มันยังยังกลัวอยู่ยังยังอยากจะให้มันเป็นมันมันไม่ยอมรับความจริง ความพยายามและความจริงมันก็ยังทุกข์อยเราเราเป็นเล่าเนี่หมอหมดจะตายภายในสาวันเจ็ดวันเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาดูนะอาจารย์ถ้าเรายังทุกข์อยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่ยอมรับความยังไม่เห็นอนิจจ์ในในร่างกายว่ามันต้องตายแต่ถ้าเรายอมเราพริจารณาเห็นความจริงอาาทยก็ตายต า, า, า, า, ายก็จบไม่มันเป็นปัญหาตายได้กันทุกคน พอยังตายแล้วนั้นมันก็หทุกข์เราพอถึงเวลามาอาจจะไม่ตายก็ได้พอหมออาจจะวินิจฉัยผิดก็ได้แต่ก็ไม่รู้เสียอะไรถ้ไม่รู้เสียอะไรไม่ตายวันนี้มันก็ต้องตายที่นี่อยู่นี่ไม่ตายเจ็บวันนี้ก็ตายเจ็บเดือนมีตายเจ็บเดือนก็ตายเจ็บปีมันก็ไม่เดือดร้อนอยู่นี่ <c oughs> ทั้งหลายมันต้องการดับความคุกขภายในใจนี้ ปัญหาอย่างแจไม่สงบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่การเกิดแก่เจด็จตายแต่ใจที่ไปทุกข์กับการเกิดแก่เจด็จตายทาให้ทุกข์แล้วก็ไม่เป็นัญหาแล้วแต่แส่ก็ไม่เป็นปัญหาเกิดเจ็บจ้าได้ป่วนก็ไม่เป็นปัญหาแต่ตายก็ไม่เป็นปัญหามันจะเป็นอะไรก็ดูแลมันไปรักษาได้ก็รักษาไปหายก็หายไม่หายก็ทําหายแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ต้องเป็นไม่แท่ขายแล้วมันจะไม่เป็นใช้ไ ถ้ามันหายแล้วขาดหายขาดไปเลยไม่ไ ม, ไม่ตายเลยก็ก็น่าที่จะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างแต่แยยรักษายังไงพอมันหายแล้วเดียวมันก็เป็น้าจะโรนี้มันก็เป็นเร่อื่นแต่ถ้ามันมีโรงมันมกม็นมีความชลาเป็นตัวที่จะทำให้ตายอย่างที่สุดแต่ใจไม่ได้ตายไปด้วยตับไปวิ่นวากับการตายของร่างกาย ที่เราตัง้งพยายามแยกแยะออกไปว่าเราไม่ได้ตายนะร่างกายตายเราไม่ได้ตายเราไปวุ่นวายกับมันทำไมเราเป็นเพียงคนขับรถเราเป็นเพียงคนที่มาครอบครองร่างกายนี้เราเหมือนกับร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนกับสมบัติชิ้นหนึ่งเช่นเครื่องอดักสียงเครา่องักเสียงนี้เราใช้ไปเรื่อยๆทั้งวันหนึ่งเราก็รู้ว่ามันจะต้องเสียเสก็เสียไปสิซ่อมได้ก็ซ่อมถ้าไม่ได้จะทิ้ไป ร่างกายนี้ก็เหมือนกันแต่เราเจ้าของที่เป็นเจ้าของร่างกายนี้ที่ดูคอดูแลรักษาร่างกายนี้ไม่ใช่เนลาใจจังเล้วถ้าเร า, าเร า, าเฉลียวรู้ทันเราตัดความลงได้เหมือดเราก็เราก็ไม่ต้องไปหาร่างกายใหม่ถ้าเราอย่างรู้ไม่ทนันเมื่อร่างกายนี้นแตกไปแล้วก็ไปหาร่าง ม, มาม า, มาเราป็นกองทุกกองหนักให้เราแบกมาอย่านี้ เหมนถ้าเราเบื่อที่จะต้องคอยซ่อมคอยรักษาเครื่องนี้พอเสียเครื่องสุดท้ายเราก็ไม่ซื้อหนึ่งแล้เราก็หมดตังหากำลัใจแต่มันยังใช้ประโยชน์ได้เราก็เอาเพราะว่าเราช่างน้ำดับร อ, อประโยชน์กับกับโทษที่ร้อนได้มานี้ประโยชน์มันยังมากกว่าเราก็ยังเข้าไปหามามาั่นร่างกายนี้ก็ยังมีประโยชน์ ถ้าเอามาปฏิบัติทำให้เราบรรลุท่านแรกนะแล้วใจยังไม่เหมดยังมีเหลือสามข้างานเรียนจบขั้นแค่ระดับเป็นยาตียังไม่จบเป็นโยยาอีกแล้วเกิดต้องตายไปก่อนเราก็ยังต้องกลับมาเราก็ต้องไปหาล่างใหม่มาเพื่อที่จะได้มาเรียนต่อเรียนให้จบ <c oughs> แต่พอเราเรียนจบนะแล้วเราก็ไม่ต้องมีร่างก็ได้หลวพ่อพุทธิย่าผ้าล้า น, านาีท่านเรียนจบนละ ท่านก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ร่างกานี้เป็นเครื่องแต่ถ้าเป็นพระโสดาบานันนี้ท่านก็ยังต้องอาศัยล่างกายนี้ทำมาเกิดม า, มาปฏิบาาัติธรรมต่อแต่ท่านจะมี ม, มีมีอิจฉาเป็นอย่างมากท่านก็ไม่ต้องอาศัยล่างกายน้ภายในทุกท่านท่านสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ถ้าเป็นพระสติดาจางนี้ก็เป็นท่าเดียวที่จะบรรลุได้ เป็ทนท่างานทางนี้ท่านก็ไม่ต้องามาสสยร่างกายพราะงานที่เกี่ยวกับร่างกายนี้ทำแบบนี้นะงานที่เกี่ยวกับราคากัรหาเกี่ยวกับการมาสังฆานี้เกี่ยวกับการมาตัณหานี้่องไม่ถูกทําลายเรียนจบวิธีนี้แล้วเหลือแต่ภาวะตัณหาหรือภาวะตัณหาที่มีอยู่ภายในจิตไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับร่างกายตอนนี้ก็สา ม, มารถทําได้ในขณะที่อยู่ใน ระดับของโธมของของพระอนาคามีก็ไม่ต้องอาศัยร่างกายก็สามารถที่จะเรียนเกิดได้โดยไม่ต้องใช้ร่างกายก็ไม่ต้องไปหาร่างกายไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่เกิดเป็นโธมแล้วก็อยู่อยู่ในชั้นโธมนั้นภาวนาต่อทั้งว่าบำเั็ญวิปัสสนาขั้นต่อกันจมนมนุษยเป็นพระอนาคามิได้นันที่สุด เรื่ร่างกายมันก็ยังมีมีมีมีคุณค่าอยู่ถ้ารี้จักใช้มันมันก็เป็นประโยชน์ถ้าไม่รู้จักใช้มันมันก็เป็นโทษมันก็เป็นตัวที่จะทําให้เราผูกติดอยู่กับการเรียนว่ายตาเกิดไปเรื่อยๆได้ร่างกายมานี้อทังพิยามาบางเพ็ญก็มาเที่ยวอย่างนี้มันก็จะผูกให้เราติดอยู่กับการเที่ยวอยู่เรื่อยๆพอตายไปท่านหน้านก็ต้ไปหาร่างกายเที่อนจะเที่ยวมันต่อ แล้วมันดีไหมล่ะเวลาเที่ยวมันก็ดีแต่เวลามันเจ็บไข้ได้ปวนมันเป็นเวลามันหิ้วข้าวเวลามันมันมันขาดแคลนอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ดีอ่ะมันทรมานที่ชานี้อาจจะเป็นบุญของเราที่เราได้ร่างกายที่มันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไร่เราอยากจะได้อะไรเราก็ได้มาเป็นจำเป็นต่างๆเช่นเช่นเช่นใช้ไมสอยเนี่ย กระจายสิ่งก็มีอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดไปอยู่ในประเทศที่มันแห้งแลงกันดานเดียที่เขาคดนิ้วสิ่งนื้อย่างในประเทศอฟริกาเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่อยากจะขึ้อเลยถ้าไปอยู่แถงนั้น <c oughs> <c oughs> เราต้องไปเราจะต้องมีอะไรที่จะทําให้เร<ด>าไปที่ขั้นต้นขั้น ต, น, นต้นมันก็จิตต้องสงบก่อนจิตสงบเป็นสมาธิแล้วก็เริ่มพิจารณาร่างกายว่าการเจ็บตาเป็นธรรมดาเพราะร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราแล้วก็ทดสอบดูว่าปล่อยวางมันได้หรือเปล่า <c oughs> ปไปอยู่อนป่า <c oughs> เคนเดียว ไปในป่าชา้าไปอยูแถวที่มีมีภัยอันตรายมีเสีย่ยมีงูมีอะไรแล้วกยอมตายอะไรจะอะไรจะมากัดมากินแล้วก็ไม่ไม่เสียดายแล้วถ้าใจปล่อยได้ใจมังก็จะมันก็จะหลุดมันก็จะปล่อยวางได้ในในระดับนี้นั่นก็ท่านท่านไม่กลัวตายนี่นก็ท่าน ทำต่อไปมันก็ยังยังมีความยืนยันในความสวย ง, งามของร่างกายอยอยังเห็นคนนั้นก็นีน้ว่าสวย ง, งามยังให้ความสุขกับเราได้อยู่เาอยากจะได้ทองเร า, าเป็นคนู่ครอันนี้เขาท้องพิจารณาให้เห็นหน้าเขาว่าหน้าเกลียดหน้ากลัวมีสิ่งที่ไม่น่าไม่น่ า, ไ ม, นาไม่น่ามองอยู่ภายใต้ภายใต้ทีงหนัง แต่ต้าผู้นั้นคนเราก็มีอวัยวะต่างๆเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเกิคุ้มหอดีเราก็ต้องมองมองทะลุเข้าไปแล้ว เ, ลเราก็จะเกิดความเกลียดก็จะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีความยินดีที่จะหาความสุอจากล่างกายของคน อ, งงอื่นนั่นก็ถือเป็กท่านนั่นก็ยังมีท่านอานื่นใจของเรายังยังคิดว่าเราดีกว่าเขา ต่ำกว่าเขาสูงกว่าเขาเร็วกว่าเขาเราก็ยังจะมีความรู้สึกไม่ดีเวลาเราเจอคนที่เขาดีกับเราเราก็อยากจะดีกับเขาเวลาเห็นคนที่ก็ต่ากับเราบางที่เ้าก็มันทำให้เราไปรังเกี่จเขาถ้็เกิดความความรู้สึกที่ไม่ดีขึ้นมาภายในใจเราก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นเพียงสมมุติเท่านั้นเอง เรื่องความทำเรือความฉลาดความไรนี่มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องของบุญของกรรมของแต่ละคนได้สะสมมาแต่ใจจริงๆนี่เหมือนกันธรรมชาติของใจของทุกคนเหมือนกันคือเป็นธาตุนี่เหมือนกันเหมือนกับร่างกายของเราทุกคนมาจากธาตุตนี่ด้วยกันทั้งนั้นแต่เรื่องจากบินกรรมมันตรงแต่มันเลยทําให้ร่างกายของเรานี่มีความสวยงาม มีฐานหน้าเกิไม่เหมือนกันมีผีพันสดสายองไสายไม่เท่าเทียนกันแต่มันก็มาจากวัตถุอันเดียวกันมาจากดินน้ำเงินไฟดันั้นถ้าเรามองเห็นถึงพื้นฐานรากฐานของของร่างกายเราก็จะรู้ว่ามันเหมือนกันมันก็เป็นแค่ดินน้ำเงิงใจเหมือนกันรากฐานของใจก็ตัวก็คือธาตุวุ่เหมือนกัน เปนแต่จะรู้มากรู้น้อยจะฉลาดมากฉลาดน้อยเท่านั้นเองใจนั้นก็เป็นคธาตี้เหมือนกันก็มีความสุขมีความทุกข์มากทุกข์น้อยเหมือนกันก็ก็อยู่กับดุกับกรร ม, มเราจะพิจารณาแล้วก็เราจะเห็นว่าเวลาที่เราเห็นอะไรแล้วเราเกิดความทุกข์กับสิ่งที่เราเห็นนี้เราจะเราก็ต้องมองไปที่ความจริงว่ า, ามันไม่มันมันเทียม ความจริงแล้วเราไม่มีความแตกต่างกันเราไม่ได้สูงกว่ากันไม่ได้ไม่เท่ากันไม่เราเหมือนกันเพียแต่เราอยู่ในในภาพของสมมติที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีความแตกต่างกันมีสูงมีต่าเมื่อเราเรืว่าต่อไปเราก็จะไู้สึกเฉยๆกับคนที่สูงกว่าเราหรือตับต่ำกว่าเราหรือเท่าแล้วก็ถือว่าเหมือนกันเป็นภาพลู่เหมือนกัน เป็นใจเหมือนกันเราก็จะไม่ยดึดติดในตัวตมนอันนี้ก็ต้องต้องพิจารณาไปปฏิบัติไปอะไรที่มันทําให้มีความยิด mm. เป็นความทึ่งอยู่ภายในใจมันก็จะต้องแก้ไปเรืยๆแ้กระทั่งความทุกอ์รายละเอียดที่มีอยู่ในใจมันก็ไม่ได้เป็นความสุกขที่ถาวร แต่เราไม่รู้เราก็จะคิดว่ามี่เป็นความทุกข์ที่แท้จริงเราก็จะพยายามรักษาหนึ่งนี่รักษามันก็มีทําให้มันถึงแไปเรื่อยๆยี่กับความทุกข์ขึ้นมาขึ้นมาในใจพราะความอยากที่จะรักษาหนึ่งตันก็เข้าใจว่าความสุกอย่างนี้มันก็ยังไม่ใช่เป็นความสุกขที่แท้จริงเป็นความทุกข์ที่สายใต้ของสายนักอยู่ความตัวท่านในเอธที่มีอยู่ภายในใจิตใจ ที่เกิดจากการชำระพิเลส่วนย่างไปทั้งหมดแต่ยังมีทีเลพส่วนละเอดอยู่ที่ทำให้ใจยังเปลี่ยนไปเป็ยน่อยให้มีความจนี้งเปลี่ยนใจเปลี่ยนหน่อยแล้วพอพิจารณารนกาจะเห็นว่ามันเป็นสมมันเป็นตายรักเมื่อจนทุกับหแล้วก็แม้่ยึดกึมันปลอยมนไั่นก็จะมันก็จะทําไปได้ ถ้าจะ ไ, ได้มันถึงจะไปเจอความจบที่แ้ริงบที่ไม่มีการเปี่ยนแปลถึงที่นั่นก็รู้ว่ามันมนถึงบ้านแล้วถึงจุดหมายปลายทางเดงาที่เาลอยวางมันจะเกิดออกมาที่เราเองเลยใช่ไหม่เกิดการที่คิดว่ารปล่อยวางได้มันก็จะเห็นว่าถ้าไม่ปล่อยมันจะทุกข์นนในร่างกายถ้าเราไม่ปล่อยมันก็จะ ถ้าลูกเราสามีเราเราไม่ป่อยเราก็จะทุกข์กับเขาถ้าเราก่อนเขาเป็นอะไรไม่ดีขอนเขาเราก็จะไม่ทุกข์กับเแต่เราไม่เห็นความทุกข์ปัญหาของเราทุกแทบเป็นแทบตายก็ยังนึดเงนเกาะนังติดอยู่ยังคินไม่ได้นอนได้หลับคนหนึ่งสอนยังไงก็ไม่เข้าใจมีอยู่เยอะคนที่ที่ข์กับเรื่องต่างๆก็พังยึดติด แต่ไม่รู้ว่าทุกนี้เกิดจากการยึดติกในตอนไม่รู้ว่าตอนนี้กำลังทุกข์มีส่นึงกลับไปทุกอยู่กับเรื่องที่จะไปแก้ให้เขาเป็นไปตามที่เราอยากจะให้เขาเป็นไม่อยากให้เขาไปเที่ยวเราก็พูนวากับเรื่อกงการไปเที่ยวของเขาพอเขาไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่สบายใจทุกทีแต่ถ้าเราปล่อยมันจะไปเที่ยวไหนก็ไปไม่ใช่เรื่องของเราแน่น่ะเราก็จะไม่ทุกข์กอดทั แต่เราไม่เห็นทุกตัวนี้ทุกที่เพราะความอยากความอยากของเราก็อยากจะให้มันไม่ทําตามใจเราแต่เราไม่รู้ว่าความอยากนี้น เ, เป็นตัวที่ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาพอเราเข้าใจแล้วว่าความทุกข์ช่วงนี้ไม่ใช่เพระเาะเขาเลยเพราะเราในหางที่ไปอยากไปอยากให้เขาทําตามใจเราแต่เขาไม่ทําตามใจเราเราก็ทุกข์เท่าไรไหนก็ทําตามใจเราเราก็ไม่ทุกข์ แต่มันไม่ได้มันแต่มันไม่ได้เป็นการดับทุกข์เยงแต่ว่าตอนวันนั้นไม่ได้ไปทําตามเขาเขาไม่ได้ทําขัดใจเราเขาทําตามใจเราเราก็มีความสบายใจแต่พอพรุ่งนี้เขาไปทาขัดใจเราขึ้นมาเราก็ทุกแต่ถ้าเราไม่ไปอยากอะไรกับเขาเขาจะทําอย่างไรก็ได้เราไม่จะ้ไสนใจไม่ได้ไปอยากอะไรกับเขาแล้วนี่คือการปล่อยวาง เขาจะไปเที่ยวก็ได้จะไปโรงเรียนก็นไดะเขาจะไปทําอะไรเรื่องของเขาเราเราก็ไม่ทุกข์กับเขาในปัญหาของพวกเราเธอส่วนใหญ่เราต้ไม่เห็นทุกตัวนี้เราทุกข์แค่เป็นธาตตายเราไม่รู้เรากับพยายามที่จะไปแก้ของหยู่นั่นให้เขาทําตามใจตามใจเราทําพอถ้าพอแก้ได้วันนี้ก็เบาใจแต่วันนี้ เดียวพรุ่งนี้ก็มีเรื่องใหม่นะให้เราแก้ทำเรื่องนี้ไม่ถูกใจอะไราเลยแต่ถ้าเรายอมรับเขาว่าเขาทํายังไงก็ได้พอใจทุกเรื่องตัวของเขาเนี่ยขอเป็นคนน้ำฝนรับอะไรส่วนไหนที่มากระทบต่อเราเราต้องพยายามที่จะป้องกันตัวเราไ ว, ว, ว, ว้อย่าให้มันมากระทบกับเร า, เราถ้าเราทําได้ถ้าทําไม่ได้เราถือว่าต้องเป็นค่าใช้ใจ่าย เป็นเป็นการใช้กรรของเราไปเช่นลูกของเรานี่มันชอบจะใช้เงินใช้ทองไปกู้ให้ยินถึงแล้วก็ต้องมาให้เราเป็นคนไปไปไปใช้คืนถ้าเราสามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ไนะ้ว่าลูกคนนี้ไม่ใช่ลูกของเรานะเราไม่รับควางผิดชอบเก็่บเรื่องไี้เสร็จี่้วแต่ถ้ายังยังยังมีเจ้านี้และยังมีอะไรที่สามารถที่จะมา มาบางครั้งให้เราใช้ไม่ได้เ ร, เ, เ, รเราต้องถือว่าเป็นกรรมของเราก็ต้องยอมใช้่ก็อย่าน้กเป็นการทดสอบอยู่นะเราะว่าถ้าเราสามารถปล่อยวางอย่างนั้นได้หรือไย่างง่ายเลยว่าพ้าเป็นไงแล้วเรายิ้มได้ถ้าทำอะไรเราก็ยิ้มได้อยู่กันได้เขาจะทำอะไรก็ม่ัมงเกียจ ไม่มีความารู้เลรษฐกิจนะร่าจร่าเดืยอนายกังวลยิ่ตกห่วงใยไม่มีอะไรเหมือนกับเป็นอีกคนเงี้ยเหมือนกับเป็นคนที่เราไม่รู้จักทำยาแล้วจ้ก <c oughs> <c oughs> ะก้อนนึงก็อที่ำยาก็ถึงก็ปัญญาไง ป, <c oughs> ปัญญา <c oughs> รับลูกมาหันว่านึงว่าที่ทำยาว่าเราจะปูุกพันกับเ้ามาก เราเลยมีความหวังในตัวเขามามีความอยากในตัวของเขาอยากให้ก็เป็นอย่างนั้นอยากให้ก็เป็นอย่างนี้อยากให้เขาเป็นดีอยากจะให้เขามีความสุขอยากจะให้เขาทํามันตัวเขาหนักไม่ใช่ตัวเราเยทำไมเราไม่อยากในตัวเราแองอยากในตัวเราเรากลับจะได้ประโยชน์กําไม่อยากอยากให้เราดีด้วยอยากให้เราภาวนาอยากให้เราปฏิบัติธรรม อันนี้เราทําได้ถ้าเราขับไม่ทำเราขับไปอย่างในตัวของตัวเองเขาซึ่งเราไป็นบังคับของไม่ได้นม้แต่ตัว เ, า เ, เขาเองเขามองคิดเขาก็บังคับตัวเขาไม่ได้เพราะเขอยู่บนกรลัที่มันติดตัวม า, เ, า, เ, พาเพื่อการยึดใจถ้าเขาชอบเคลื่อนอย่างนี้ยมันก็ติดมาเป็นนิสัยทางนี้เสร็จแล้วแม่เขาเที่ยวต่อหน้าเขาก็อาจจะไม่เที่ยนพอเราึเแลเเอเขาก็ออกเขาออกไปแล้ เะคนโสก็บ่อบวไมมีนกม่ก็ต้องอย่างนั้นเพราะคนโสดเล่นไดินได้คนี่มีครอบครัวเลนดยากกว่าแ่พ่อชาพ่อพ่อจะเจ้าถึงถึงถึออกบวดยากต้องรอถึงวันี่ยี่สิบเก้าถึง เพราะถ้ามีถูกอิทธิพลสองพ่ อ, อ, อความงาเกิดอยู่ในวันพ่ อ, อพอระพรอุ่มยอมให้อยู่กับเพียงแต่จางแต่ไอ้ใจเนี่ยมันที่มันสว่างหาความสุขทแท้จริงมันก็จะแหวกว่าออกจากความสุยงแต่ห น, นึ่งใหม่ๆมันจะเพิ่เพิมอยู่วันสองวันครัง้งสงครั้งคั้งๆพอเปนทีนกลางมก็เบื่อหนเลย ม, มันจะกินอาหารรสวิเศษขนาไหนก็ตามให้กินคําๆทุกๆวัน เดอนอย่างนี้ให้กินอาหารช้ำๆเองนียมันก็เหื่อยอให้การมีราคาแพงกันหนาหนาตางดีกันหนาหนตาต่างเัาไม่มีวิจัยหรอกสักใจมีอะไรที่มันช้าๆตัดในั่นมันจนเบืออบ่อพอเบื่อท่านก็ท่านก็หาทางออกห้หาทางออกไปรื่อยขณนที่เบื่อทานก็ ก, ก็ออกไปได้ เพราะว่าใจของท่านนี่ได้สะสมบุญมายเยอะบุญเก่านี่คอยถักยังอยูเ่เรื่อยๆแต่ระดับพวกเรานี่บุนเก่าไม่พอไม่มากพอเราเลยต้องอากษาบุนใหม่ต้องรัาจากการไปหาคุบาดาไม่คอยได้บุญไม่เมื่อมไม่มีบุญถักก็ต้องใอช้บุญดิงออกไป <c oughs> บุญทายทางนม่ถักก็ต้องทาบุญทาเป็นตัวลากออกไป แต่ถ้าฟังแล้วยังไม่ไปก็ไม่รู้แก่ก็แสดงว่ามันยังฟไปไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ก็พิจารณาว่ามันมันมันเป็นเรื่องสุดที่สายเมื่อมันมันเป็นสุดที่สายเราช่วยตัวเราเพื่อได้อย่างมากเราก็แค่ตายถ้าไม่มีใครช่วยเราเรก็ตายอยู่ดีแล้วเราก็ไม่ต้องไปกังวลถ้าไม่มีใครก็าอยากมาช่วยเราก็ไม่เป็นไรเขาเรื่องก็เป็นกรรมของเขาแล้วกันเราก็ไม่ได้ลองคักเขาเราจะดูแลเราก็เรื่องของเขา ยืนดีๆเขาอาจจะได้ดบุญจากการดูแลเราไปได้เพราะว่าความกริงเขาไม่ต้องดูแลเราแล้วเพราะว่าเราโตแล้วเราเรแ ล, แลี้ยงดูรได้อาจจะนี่เรากลับมาเป็นคนที่เป็นเหมือนเด็ ก, กแล้วเขามีความดีดีที่ยังดูาลเขาเรื่องเราดูแลเขาก็มีความสุขกับการเลี้ยงดูเรเามก็เป็นบุญเป็นคุณสมบัติเรามองในแง่ดีแล้วก็กลับเป็นเหตุที่ทําให้เขาได้ทําบุญตอบแทนกันได้ เรื่องความเจ็บนี้ก็ได้มันก็ต้องเจ็บด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะเก็บมากสุดน้อยแต่ความเจ็บนี้เราก็สามารถเก็บรับมันได้ด้วยการนั่งสมาธิเป็นนานเวลาทั่เจ็บเราก็พยายามทำใจให้นร่องให้สงบอย่าไปวุ่นวายถ้าความเจ็บมันก็จะไม่เก็บมากมันจะเก็บเพียงครึ่งเดียวก็เจ็บที่ร่างกายแต่มันจะไม่เจ็บที่ใจถ้าใจไม่เจ็บแล้วร่างกายจะเจ็บมากขนาดไหนก็ไม่สําคัญ ความเจ็บที่มันมีแรงกว่ามันมเจ็บที่ใจใเราเวลาใจเรา ก, กลัวความเจ็บเนีมน่มันมันทรอมานมากกว่าความความเจ็บแต่ถ้าเราไม่กลัวความเจ็บพยายามแล้วความเจ็บมันจะไม่ทรอมานใจในความเจ็บนี้เรากสามารถที่จะแก้ไดนน้ด้วยการฝึกนั่งสมาธิเราก็ปล่อยให้มันเจ็บไปไมเมื่อเจ็บนี้ว่อยให้มันเจ็บไปอย่าไปสนใจกับมัน เรารับมันเหมือนกับเรารับเสียงที่กำลังดังอย่านี้ถ้าเราไม่ไปรังคาเสียงนั้นมันก็ไม่มาทำสร้างความทุกข์ใจให้กับเราการเจ็บของร่างกายก็เป็นเหมือนกับเสียงนี้มันจะเจ็บเน Lyn ี่ยถ้าเราไม่ไปรังคากรรมันไม่ไปกลัวมันไม่ไปอยากให้มันหายมันก็จะไม่มาทําให้เรามีความทุกข์ใจมันก็ไม่ทํารย์ใจดันถ้าเรารู้จักวิธีปฏิบัติกับความเจ็บของ ai, ร่างกายเราเราจะไม่กลียด ไม่กลัว ค, ความเจ็บที่จะเกิดขึ้นในขณะที่เราจะตายเพราะเราผ่านมาแล้วเราได้เราได้รู้จักวิธีปฏิบัติกันแล้วเราปฏิบัติเพราะไม่ต้องาการให้เราไปบงังคับให้มันหาให้ไม่ได้ความเจ็บทางร่างกายแต่เราห้ามความทุกข์ทรมารย์ไม่เกิดขึ้นได้ถ้าเราทําใจให้สงบ น, นี้ถ้ายอมรับกับความเจ็บทางร่างกายไม่ไปปฏิเสธไม่ไปรังเกียจไม่ไปอยากให้ความเจ็บนั้นหายไป ควาทุกข์เร่า no นั้ใจที่มุนแรงกว่าความเจ็บปวดทางร่างกายอีกหลายเท่าก็จะไม่เกิดขึ้นในทางเราเราก็จะตายได้อย่างสงบตายอย่างได้อย่างสบายถ้าถ้าเรารู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใชเป็นของเราเป็นเหมือนสมบัติชิ้นหนึ่งเป็นเหมือนเสื้อผ้าชุดหนึ่งที่เราเมื่อมันถึงเวลาที่มันขาดเราต้องโยนทิ้งไปแล้วก็ทิ้งมันไปร่างกายนี้มันก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าชุดหนึ่งนั่นเองเมื่อมันเก่าแล้วมันจะขาก็ทิ้งมันไปเท่านั้นเอง ใจเราไม่ได้เต็มเราใจเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายาแล้วใจเราไปกลัวทาไมไปทุกข์กับมันทําไมืคือ น, นี่คือปัอย่างถ้าเราเห็นว่าร่างกายกใจนี้เป็นคนละศูนกันเราต้องแยกใจจับร่างกายออกจากกันให้ได้าเราต้องบองว่าเราไม่ใช่เป็นร่างกายเราเป็นใจเราเป็นผู้คอยดูแลรักษาเป็นผู้ปกครองของของกายนี้วันวันวนึงเราพาไ ป, ไปทานี่ทานี่ าพามันได้อาบน้ำพามันไปกินข้ า, าพามในทาธุระต่างๆาพามันกลับมาหลักนอ้อยถ้าทํอย่างนี้อยู่ทุกวันทุกวันแต่เราไม่รู้ว่าเราทํามันไปนเรากลับไปคิดว่าเราเป็นมันปัญหาอยู่ตรงนี้เราต้องแยกมันออกมาว่ามันไม่ใช่เราเราคือใจเราเป็นผู้สั่งการเราเป็นผู้พระเป็นผู้ปกครองมันเอนงมันเป็นเลูกเราเนี้ยร่างกายนี้เป็นเหมีอนลูกเราลูกเราทุกวักนมันก็ต้องตายจากเราไป แต่เราไม่ได้ตายต่กับมันถ้าเราเข้าใจหลังนี้นะเราจะไม่กลัวตายแต่เราไม่มีใครสอนไงเกอดมาก็คิดว่าเป็นตัวเราของเราร่างกายมีครูกเจ้าวนั้นเอที่จะสอนแต่ขนาดสอนแล้วบางทีการก็ไม่เข้าใจมันต้องปฏิบัติเองถึงจะถึงจะเข้าใจและถึงจะสามารถมาอธิบาลให้ฟังได้ ถ้าไมั้นก็อาจใส่วสวะตะเปตมานัตตาลูปานัตตามันก็เป็นเป็นเหมือนกับพูดเฉยๆคำพูดล่องว่างไปล่าๆฟังงานมันก็เป็นกระแสร่างกายไม่ของเราได้อย่างไรมันเป็นของเราตั้งแต่เราเกิดมามันก็มีร่างกายที่อยู่กับเราตลอดก็เพราเราไม่เห็นใจของเราเราไม่เข้าใจว่าใจเราเนี่ยมันเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นเหมือนน้ําที่มันเข้ามาอยู่ในขวดน้าน้ำกับขวดน้ า, นน า, นามันคนละส่วกัน ใจมันเหมือนกับน้ําที่มันใสสะอาดละเอียดจนทั้งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ว่ามีใจมัน จ, จะไม่มีความคิดมันจะไม่มีผู้ที่สั่งการให้ทำํำอะไรต่างๆกับร่างกายนี้ที่เรามาใต่ไหนมาไหนตลอดเวลานี้ใจเป็นผู้พามาเป็นผู้ปกครองเป็นผู้สั่งการให้มาเรานักหมายกันมาก็ใจเป็นคนนัดหมายแล้วั่งมาผ่านทางร่างกายพูดออกมาทางปาก นักกันไว้ว่าจะมาที่นี่วันนี้วันนี้นะพอถึงเวลาใจก็พาร่างกายนี้ขึ้นรถมาพอจะมาก็เติมอาหารเหมือนท่าวร่างหน้าร่างตาแปลงพแปลงฟันกินเครื่องกินข้าวอะไรแต่เนื้อแตงตัวแล้วก็เํานทันใจเป็นผู้พามาเป็นผู้ปกครองใจไม่ได้เป็นร่างกายแต่ใจไม่รู้ใจจะหลงที่ว่าร่างกายเป็นตัเป็นเป็นใจเป็นตัวเป็นตนเป็นใจพอร่างกายเป็นอะไรใจก็ วุนวายคือแต่ที่ว่าร่างกายจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใจก็วุ่นวายยังไม่ทันเป็นเลยคือแต่คิดแนั้นมาได้ยินท่าเท่าอ ด, ดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแค่นี้ใจก็ไม่สบายและกระสับกระส่ายมันกระสับกระส่ายทำไมใจไม่ได้เป็นอะไรเปกับร่างกายเท่านั้นแต่ไม่มีใครพูดอย่างละอีกมไม่ให้ฟังให้แยกแยให้รู้ว่าใจา ก, กัะกายนี้เป็นความรักันไป ใจใจไม่ด <Ừ. S 2> ีอายุเท่ากับทุกสิ่งอย่างที่มีในโลกนี้คือมันไม่เกิดแม้แต่นั่นเป็นในธาตุธาตุเดิมที่มีหกหกหชิ้นด้วยกันธาตุริ่งธาตุดึงธาตุน้ำธาตุนึงธาตุไฟและธาตุอากาศที่มาลทมาเกิดมาก็มีใจโตแข็งใจเดือดเดืรมีความเปใจ ก็อย่างที่บอกห้การมันมีอยู่ควบคู่มากับ ก, กับจักรวาลกับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโลกนี้มันมีควบคู่กันอยู่ตลอดมันไม่เกิดมันไม่ไดับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโลกนี้นไม่เกิดไม่ไดัดินน้ําลมฟ้ามันไม่เกิดมันไม่ดับไม่มีการเปลี่ยนสภาพใดเปลี่ยนสภาพไ ป, ก, พไปกลับไปกลับมาใช่ไหมคะพี่ลูกสงสยัยก็คือว่า ร, รารู้รว่าเราเนี่ยนะคะเราฝึก ตัวรู้คือท่ทาใจของเราเนี่ยไปถึงระดับหนึ่งเพราะเออเราคือคือเมือ่ออาจจะยังไม่ถึงขั้นโสดาแต่ก็ได้ฌานได้แล้วเนี่นะคะเราไปพลาดแล้วไปทําบาปก็ไปเกิดเป็นสัตว์ตรงนั้นเนี่ยนะคะ<ม>แต่ต้องไปเฉลยกรรมตรงนั้น<ม> ไ, อไอตัวรู้ที่สิงอยู่ในใจเราเนี่ยมันมันจะไม่มีการพัฒนาต่อไปมันจะบรรจุไว้อยู่แล้วหล่อพ้นกรรม ม, มันก็เป็นเป็นตัวรู้ที่มันแตกต่างกับตัว้มันก็จะเป็นสัตว์ที่ที่ต่างสัตว์ชอื่นเนี่ย การบางตัวอย่างท่าโพธิที่จันที่หลวงพยาเขาเขาสอนเอาเล่าให้ฟัง่สมัยเกิดเป็นราสีลอยนี้ต้องมีพวกจัดแห่งการเกิดความเปลี่ยนถนนต้อนนมีกระตายย่ายหรืออะไรมันนอนอยู่ใต้ต้นตาลแล้วลูกตาลมันหล่นลงมามันก็ตกใจคือว่าแผ่นดินถลมพลายมันก็เกิดอาการริ้วพาย สัตว์เองถามเขาเห็นก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเป่าแ่นดินกำลังถลง่มให้ตัวเองนั้นก็เติมตามแต่จนไปเจอราชสีราชสีนี้มีปัญญาเป็นดวงจิตที่เคยได้ทานได้บุญได้ปัญญาอนะไรมาก่อนมีความหนะักแน่นในทางเหตุผลก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นแะล้วเลื่อนกันแตกเสืนนะ่ยก็บอกว่าแผ่นดินถล่มเคขาก็ถามว่ามันถล่ม ต, ตรงไหน ก็พาไปดูเหตุการที่สถานที่นั้นพระราจะสีไม่กลัว mm hmm. แต่โตหลวงนั่งกลัวพอการหมอกแผ่นดินถล่มก็หนีแล้วไม่อยากจะเข้าใกล้ละพอ mm hmm. กลับไปดูก็เห็นว่ามีเลกต า, า, างอยู่ตรงในร้อยนีมันหล่นลงมาเทั้นั้นเองอกัน mm hmm. ว่าราศีนี่นก็เป็นเหมือนโภคที่จักเนี้ mm hmm. ที่เคยได้มบำเพ็ญพามดีมามีปัญญามีอะไรแต่ก็พลาดไปได้ไม่ทาบาตทํากรรมได้ <c oughs> ก็ยังต้องไปเกิดเป็นเป็นเลดลัสานได้เหรือพวกช้างกับลิงที่ไปอุปถัมภ์พระอุจาร์พวกนี้ก็เป็นพวกที่เคยทําบุนมาถ้าไม่เคยทำบุนมาจะไปชอบทําบุนได้เห็นไหมทำไมช้างตัวหนึ่งลิงตัวเองก็ไม่ทําลยเพราะถารู้ของแต่ละตัวนี้ของแต่ละแต่ละธาตของแต่ละคนนี้มันมันได้จากสมบุญแบาปมาต่างกัน ไม่แม้จะไปเกิดเป็นสัตว์ก็มีความต่างกันถ้าถักผลบารนั้นก็กลายเป็นสัตว์ที่มีความโสดน้าเฮี้ยงโผล่เอาลัดเอาเสือกเห็นจากตัวเห็นก็มีจากที่มีความเมตตาก็มีกินข้าเขาก็เพราะชอาเพื่อความสุขเพื่อดับความสุขเท่านั้นเองแต่ไม่เพื่อที่จะหวังมีอํานาจบาดใหญ่ป่ปกครองสักอื่น ตรงนี้เขาก็ยังต่อสู้กันเพราะมีอัตราตัวคนมากนี่ก็ข้ารู้ทั้งนั้นถ้ารู้ก็ไปไปไปเอาธาตุดินน้ำมนต์ไฟมาเป็นสมบัติแลรูปร่างต่างๆสัตว์ก็มาจากดินน้ำมนต์ไฟคนก็มาจากดินน้ำมนต์ไฟของพวกนี้มันมีอยู่มาจากดั้งเดิม ตามหลัของพระา่ยวาไม่มันมันไม่มีใครสร้างมันไม่มันไม่มีนั้นมันมีอยู่ของมันอย่างนั้นอ่ะมันเป็นอจิมใจเดี๋ยวไปสนใจล้วมันใครสร้างมันมาได้อย่างไรนี่นะโยโ่ว่าเราก็น่าจะมาเป็ี่ใหญี่จะด้วยไม่่าแยกการกระจายจ้เาแล้วก็ไม่ รทำตัวกันเราไม่เสียดายสมบัติไทยนอกรอไทยนอกรมันมันมันง่ายกว่าไทยเลยแต่ถ้รล่ะถ้าถ้าสามารถปล่อยวางร่างกายได้มันก็จะปล่อยวางทุกอย่ได้แต่มันยากกว่าให้เลือกระหว่างเสียสมบัติจะเสียชีวิตเนี่ยเราจะเสียอะไรนะเรื่องระหว่างเสียเงินกับเสียแขนอยู่ทัข้างนี้เราจะละสายอะไรมาก่อน แล้วก็ต้องเสียเราสมบัติภายนอกก่อนเสียลูกก็เสียตัวเราเราจะเสียอะไรกนก่อนให้ลูกไปก่อนดีกว่าพอ <c oughs> <c oughs> ถึงเวลาจริงเราก็รักลูกกวตายก็ขออยู่ก่อนลูกไปก่อนเ็ได้นอกจากแม่ที่ที่มีความเสียสละมากจริงๆอันนั้นก็ไปอย่แม่บ า, างคนก็ยอมตายแทนลูกก็มีแม่บางคนก็ให้ลูกตายก่อนก็มี จนทอดออกมาแล้วจะตัดแต่ถึงก็จะติดมันขึ้นมาเองพราะถ้าอยู่ก็ต้องลําบากเลี้ยงดูเหนยากตัวเองเลี้ยงตาเลี้ยงเท้าตัวเองยังไม่รอดแล้วัไปมีรูปขึ้นมาอีกก็ต้องตัดกินใจเรื่องก็จะต้องเลี้ยงไข่ก็อดตัวรอดก่อนเมื่อพวกนี้บางทีก็ลูกไปทิ้งเม่ตามท้องานเพราะตัวเองไม่มีปัญญาที่จะที่จะเลียงได้ดแต่ก็ยังดี เมื่อที่แม่ดูใจน้องคนเล่นเอาจับใส่สูงมัดติดมันโยนลงน้ําอะไรอย่างนี้ก็อยู่ที่จิตใจของของแม่คนนั้นว่าเขาได้มีบุญมีบาสมาติดโัวมากมากเกินถ้าจิตใจก็ทําบาปมามากเขาก็คิดว่าการฆ่าจนเรื่องธรรมดาถ้าผู้อว่าแต่ถ้าแม่ที่มีจิตใจสูงกา่าก็จะ ก็จะฆ่าไมเลงแล้วก็มถ้าสูงมานั้นก็ยอมยอมเลี้ยงลูกอดทนเลี้ยงกันแต่ตายก็ขอตายด้วยกันถ้าอดก็อดด้วยกันแต่จะไม่ไม่ไม่เอาตัวรอดหรือแม่สูงมานั้นก็ยอมตายเพราะลูกยอมลำบากเพราะก็มีมีหลายระดับจิตใจให้ก่อนแต่ถ้าเด็กที่ที่ที่ถูกคู่ที่ถูกเนี่ย เม่ก็ทํานังมันเนี่ยติดตรงนั้นเขารัแม่ไม่เกิดความโกรธความเหยียาได้เช่นกันใช่ไหมครัไม่รู้ว่าคำนู้นต่างแล้วแต่ตอนนั้นยังไม่อยู่ในในสภาพที่จะรับได้ยังไม่ไม่ยังไม่เรียนกาคำคำอันนั้นของแม่ก็เป็นคาที่แม่สร้างคือถเป็นคาของแม่ที่แม่จะต้องไม่ใช้เย่นรู่ก็ถือว่าเป็นใช้คำเก่าของตนที่เคยทามาในอดีตค่ะ แต่คงไม่จำเรีนเป็นกรรมเลแต่ถ้ารู้ก็จะเป็นเรีนเป็นกรรมเลยว่าโอ้ตองนี้ไม่ดีสำหรับเราจะตอบมาเจข้างหน้าก็จะมีความรู้สึกไม่ดีต่อกันมันต้องอยู่ที่ที่รู้ไม่รู้ถ้ารู้มันก็จะเกิดมีเจตนาขึ้นมามีความมีความคิด มีสังขารเจอสังข์ขึ้นมาเราจะรักหรือจะทำกับคนนั้นคนนี้แต่ถ้าไม่รู้นี่มันจะไม่สามารถจะทำอะไรได้ตอนไล่เป็นขาดก็คือยังไม่รู้อยากถามอยากถามเฉยๆกันหมดแล้ไหม เฉยได้เได้เลยวนี้พัดถวายของก่อนก็ได้นะแล้วอย่าจะคุยอะไรกันนะในพิธีนา้างรางกายคราวนี้จะรู้จดุดเจิงรอบนะครับ่้าก็ได้พยายามปเปาอาไฟเผาเอื้องที่ท่นกันออกด้วนะค ะ, ะแต่ในขณะที่ทำสมาธิแล้วก็รู้สึกว่าทำไม ไฟเขาพอแต่มันได้ร้อนเลยเอี๋ยวทำเย็นอันนี้จะเป็นหน้าของฟ้าที่ใจไม่ร้อนมันระดับไฟมันระดับไฟในใจเราไฟนอกระดับไฟ้นมันเพราะเมื่อกี้ท่านจะอธิบายแล้วเราก็เข้าใจจริงจริงในส่วนมันยอมรับสภาวะมันแต่พอ จริงๆม่ติดดูในความจนตอกพราะวคล้าเหมือนกับว่ากลัวในการว่าถ้าเปื่อผลพิสูตรงออกมาว่าเป็นมะเร็งเนี่ยจะต้องทำเคมีโมแล้วไม่อยากใจตรงนี้สู้มากเลยเพราะว่าบอกว่าถ้าพระมาเราจะได้ไปหาพระเลยวันสู้ขนาดที่ว่าบอกว่า <imen ode> เราจะไม่ทําการรักษาเลยเพราะเราจะไม่มีโอกาสไปกราพระเลยถ้าตังตรงนมันฟุ้ไปจนเหนื่อยจนทั้งถึงมันจนกจอดแล้วยอมวางลงตรงนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออในการพิจารณาความตายเนี่ยตอนแรกยอมรับในตรงนั้นแต่ในการพิจารณาความเจ็บเราไม่ยอมรับเราสู้งไปมันเหนื่อยตรงตรงตรงนี้มากแต่แต่สุดท้ายก็รับมันอยู่เลยครับ็กอที่ผลงินว่ามันมันยอมรับได้แล้วก็สงบตัวองค ถมันรับไม่ได้มันก็ยังไม่ไม่จบมันยังต่อต้านมันอย่างมันก็ง่ายบานอย่างมันก็ยากเกิดมาเป็นง่ายมาเป็นยากเกิดยากเปนง่ายแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับ ก็มันกำลออังก็คือว่าการที่เราไปคิดว่าถ้าเราถ้าเราทำการรักษาเนี่แล้ว่อาทากรารการจะไม่ได้พบภูมิใจกันเลยไม่เป็นข้ออ้างของเรากษาลูกก็งอไปถึงตรงนี้เลยก็เหมือนคุณเราพล<อ>ังงานแต่แต่จะแต่จะหยุดการรักษาแล้วก็จะอยู่วสามเดือนสี่เดือ น, น, นกระจายกระเทือนให้ฟังทุกคนกระจารพวกปรทางนะแ่ไม่เอาน้่า ง, งกายละร่งางกายถือว่าจบลว ยอมรับความตริงนะแตทางใจดีกว่าพิยารณาให้มากพิจะรณาให้มากตรงตัดให้ได้ให้มาก <Yeah. S 1> อันนี้จะมีคุณค่ากว่าเพราะมันจะได้ไม่เป็นปัญหาข้ามชาต <Yeah. S 1> ปัญหาที่มันยังค้างอยู่ในใจมันก็จะข้ามไปมันก็จะติดตามไปในปัญหาทางร่างกายมันก็แค่ชาตินึงนน yeah. วานการมนจะเป็นไงก็ป่อให้มันเดินไปนีนก็จบถ้าเราไม่ปล่อยใจมันก็เป็นปัญหาราคาใจอยู่มันก็จะท่าไปท่าต่อไปพอไปได้ร่างกายหมมันก็จะกลับมาที่เดิมมันเจอปัญหาเดิมนีกมันี้ก็ต้องมาเจ็บไา้ได้สวนก็นั่งมามนมามาปงมันอยไม่ปลงวันนี้ก็เลยไม่ปลงวันหน้ปงวันไม่ได้มันก็จบกม่จะปลง ไม่ไดกลับเรียนท่านอาจารย์มาเพราะรู้ว่าท่านอาจารย์บอกว่าครั้งนี้หายครั้งหน้าอาจจะตายเพราะคำตอบอเหล่านั้นได้ปัญหาในจิตใจไม่ได้ที่ร่างการนี่มีเกี่ยวกับการที่ว่าได้ภาวนามาเยอะออหมยถ่าไดทำรทิมาถึงจะถงจะรู้ว่า้อะบางบหรือว่าม่เกี่ยมันอาจจะ กหม า, หาไม่ได้มันแล้วแต่ว่าเราเคยทําอะไรหรืเถ้าเราเคยทําอะไรดีพอเราได้ฟังก็ล้วก็ไะเข้าใจแล้วก็จะทำได้ง่ายทําได้เลยพ้าไม่เคยทำมาตัก็ต้องมายลี้ยงฝึกหมาก่อก็จะจะยากแต่เราคนบลงคนยไฟเพิ่มทั้งเดียวก็บรรลุได้พราเหมือนกับว่าได้ไ ด, ได้ได้ไฟได่ไฟมาจุดเชื่อกับ มีแล้วให้ลุกาถ้าไม่มีเชือเก่าจุดไฟยัง ไ, ไงนะก็ไม่ลุก <laughs> <laughs> นมาระาไม่มีเชือกเก่าไว้หลังนะก็ต้องมาสร้างเชือใหม่ขือก็ต้องตัดไปเรื่อยนที่ทพุโทโธพุโทโธพุโทโธภาวนาไปก่อนจนกว่าปิดสงดแล้วบทุกอย่างอันนี้การทุดครั้น้ำตาไปเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยวางไปเรื่อยๆตามวนแบบ ถ้าเกิดตายไปก่อนก็ไปเกระชากมาเพื่อไปทาต่อถ้ามีคนที่มาสอนต่อมันก็จะมาเกิดภฟยกิดไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีทครมาสอนก็อาจจะเห็นเพี้ยวที่รอไฟไปก่อนมันจะเกิดในสมัยที่มีพระพุทธศาสนาหรือไม่ได้ไปเจอเหตุการณ์ที่ไปทําให้เกิดเชื้อให้ไปเกิดขึ้นบางทีไม่ต้องมีคนสอนก็ได้แต่เป็นเห็นเหตุการณ์เพ่อจะเห็นความตาย ของคนนั้นของคนนี้นล้วมันก็จะไปกระตุ้นให้สัญญาจาก้ีออ่มีในจิตที่เราจะ้พลังานทางกายอยู่มาก่อนให้ให้ ใ, หใหตื่นขึ้นมาจำเราตอนที่เป็นเด็กๆ เ, เรียนหนัสออยู่จำ ว, ว, วันทีจิตสองขวบนั่นก็ไปเห็นเพื่อนที่เรียนห น, นงสือยังเรียนเดียนไปเข้าตายไปงานศพเขาก็ เมียับที่ก็ต้องเสริมให้ไปไปค า, าวะจบแล้วก็นอนแตุ่ดใุดเสื้อนอกอะไอย่างดีแต่นหน้าตามันก็เหมือนกับก็ไม่นคนตายือว่าเพราะมันอยในใจานมันก็ผุดขึ้นมาขึ้นมาแล้วเราตอบอะไรก็ต้องเปเหมือนเข<ม>คนนาคนนั้คนนี้ก็ต้องเป็นเหมือนกันทุกคนพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนที่เรารักคนที่เรา ห่วงใยก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันงันก็เลยพิจรณาไปเรื่อยๆได้เหมือนกันได้ตเหมือนก็คิจรนาไปนเรื่อยๆจะกระทั่จะรู้สึกเฉยๆต่ อ, อการเป็นการตายของคนอื่นในแบบของตัวเราเองแว่ายังไม่ยังไม่หายจากพานกลัวตายพ่อมันยังไม่ได้ไปเจอปเหตบการณ์ที่จะทําให้เราต้องกลงแต่ยังงั้นมันก็โปรงในทางทฤษฎีว่าเราก็ต้องตายเหมือนกัน มันก็มันก็มีมีมีเชื่อที่จะเปลี่ยนมากกวกาเดิมแต่ยังไม่ได้ยังยังไม่ได้เห็นขั้นที่มาตรงได้ว่าจะเป็นแต่พอมีมีมี ม, ม, มีมีความรู้ที่จะลองรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นมันเป็นสัญญาอะไรนะเป็นสัญญา ท, ที่เป็นทางที่ดี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 ดังนั้นการจะหมายความว่าเคยเป็นโสดามันมาแล้วนะเขาก็ต้องมาพิจารณาทางด้านเรื่องอุปถาต่อไปเพื่อตัดความยินดีทางกามาลาคตต่อไปคือค่องความก่อไปนะคะคือปกติลูกตั้งแต่เด็กก็คืกนกลางคืนมันจะตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกตัวประทายแล้วก็ แล้วก้ไมรู้ว่าวมันจะไปไหนแล้วพอตอนหลังมันก็ขึ้ น, นานๆครั้งมันก็จะตื่นขึ้นมาแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่งขึ้นมาแล้วได้มา gặp อาจารย์ก็ก็ไม่ค่อยเกิดแล้วมีอยู่เพื่อก็เกิดขึ้นใาอย่าง น, น, นี้อีกแล้วก็รู้สึกกลัวจนกระทั่งเจ็บล้ข้างในไปหมดเราก็บอกตัวเองว่าอะอนี่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆถ้า ถ้าเราเรียนว่าแต่เกิดอย่างนี้ก็ใจกลัวอย่างนี้เรียนเลยว่าถ้าเราเปฏิบัติธรรมในที่สุดแล้วมีความเห็นที่ถูกต้องควา ม, ววาวามก้ากระหายก็พยายามยกมาเป็นข้อพิจารนาต่อก็ควรพิจารณ า, า, ว, ราว่ากายที่กําลังกลัวอยู่นี้อใจที่กําลังกลัวอยู่นี้ไม่ตายใจเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายไม่เกิดไม่ไดับ ส่วนสิ่งที่เกิดที่ดับนี้ไม่รู้เรื่องคือร่างกายนี้ไม่รูร่างกายเป็นเหมือนวัตถุชิ้นหนึ่งวัตถุนี้เขาไม่รู้เขาเขาเขาเป็นอะไรอย่างไรแต่ใจที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องไปยึดไปติดกับตอนคนนั้นต่างหากที่จะวุ่นวายอะไรกับเขาเลยร่างกายจะแต่จะดับจะจะแก่จะเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็เป็นของเขาไปตามปกติของเขา เขาไม่รู้เรื่อ ง, องกับการเขาไม่มีธาตุรู้ที่จะรับรู้ความความเป็ี่ยนไปของเขาแต่ถ้ารู้คือใจนี่ไปรู้แต่ไปรู้ด้วยความหลงไปรู้แล้วเกิดความอยากไม่ไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้ตายจึงเกิดความพลิกขึ้นมาถ้ายอมรับว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนละห้ามไม่ได้ไม่ไปเสริญกับความไม่ไปเกิดความอยาก ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้มันก็จะไม่รู้สึกกระทบกระทันหมนเลยกับการแก่การเจ็บตา่างๆแล้วเราพิจารณาแยกแยะทั้งสองส่วนแล้วร่างกายต้องเป็นอย่างนี้แต่ใจที่วุ่นวายอยู่ขณะ น, นี้ไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเลยเหมือนการร่างกายลร่างนี้เหมือนการร่างกายของคนอื่นคนอื่นเขาเจ็บใกล้ได้ป่วอย่างไรเราไม่รู้สึกเดือดร้อนเันใดร่างกายนี้เราก็ต้องไม่รู้สึกดังนั้น พินขึ้นให้เหงนว่าร่างกายของเรากับของคนนั้นที่เราไม่เดือวร้อนด้มันก็เป็นเหมือนกันไม่นจะเป็นของเราทั้งสองสองอันร่างกายของคนนั้นก็ไม่ใช่เป็นของเราร่างกายอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นของเราเป็นแต่เราไปหลงไปยึดไปติดว่าเป็นของเราเท่านั้นเองเหมือนกับที่สองผืนที่ผืนหนึ่งเป็นของคนอื่นที่นั่นจะเป็นอย่างไรเราก็ไม่เดือรอนแต่ที่ผืนนี้เป็นของเราเอง เราเราเดือดร้อนถ้าเกิดใครจะมาแยกจากเราไปเนี่ยเราจะเราจะเดือดร้อนใจใช่นหมแต่มันก็เป็นที่สองแปลงเหมือนกันเองแต่ว่าแปลงหนึ่งเราไม่ได้ไปถือว่าเป็นของเราอีกแปลงหนึ่งเราไปถือว่าเป็นของเราแปงที่เราไปถือเป็นของเราก็เป็นปัญหากับเรากันทีถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับแปลงนั้นร่างกายของอันของร่างนี้ก็เหมือนกันร่างกายของคนนั้นเราไม่ได้ไปถือว่าเป็นของเราจะเป็นอะไรเราก็ไม่เดือดร้ แต่ร่างกายอันนี้เรามาถือว่าเป็นของเราเพราะเป็นอะไรเราก็เดือดร้อนขึ้นเพาเพียงแต่คิดว่ามันจะต้องเป็นแล้วก็เดือดร้อนละคีอเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ต้องเหือดรนถ้เราต้องมองให้เห็นว่ามันไม่ใช่ของเรามันก็เหมือนกับร่างของคนอื่นมันมาจากนิน้ำนุ่นไปมันจะแก่เจ็บตายไปด้วยกันเหมือนกันเมื่อเราไม่วุ่นวายไม่ไม่เดือดร้อนกับร่างกายของคนอื่นแล้วก็ไม่ควรที่จะ เดี๋ยวน้อยร่างกายร่างกายอันนี้ที่เี้ยเรียกว่าเป็นของเราเพราะโดยความจริงมันก็ไม่ใช่เป็นของเราเหมือนกันนั่นต้องพิจารณาอเนี้ยต่อไปมันมีอีกส่วนนึงด้คะท่านอาจารย์คือมันเป็นความกลัวอในสิ่งที่ใจจะต้องคล้องไปข้างหน้าอีกถ้าเ น, นี่ยก็ถ้ามันจะกลัวก็ก็เลย นีบรี บ, รบหยุดการท่องหยุดนี่อยู่มันเสเราหยุดได้ไงเราภาวนาทําจิตให้สงบล้วก็หยุดมันได้แล้วบบตัดทบตัดเราปล่อยวางต่างๆได้เป็นต่างๆางได้แล้วก็หยุดได้เราทําได้เราไป่กลัวทนมันการกลัวเฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่จะสร้างความทุก์ให้มาให้กับเราโดยกล่าวไปหยุด แเราต้องอย่าปล่อยให้อารมณ์มันลากพาเราไปแล้วต้องมีสติพอจิตมันเรื่องเทอะทะแลคิดเรื่องเทอะ้ะแล้วก็หยุดมันซะดึงมันกลับมาถึงความจริงดึงมันกลับมาอย่างน้อยก็หยุดความคิดนั้นก่อนด้วยการมีสติหยุดมันถ้ามีสติแล้วมันยังไม่หยุดมันยังกลับไปคิดอยู่ก็ใช้บริกรรมพุขโธแทจะดูดฝนมันสุขโธทไน เราจะพิจาณาทำบทใดบทหนึ่งที่เราเคยใช้เป็นหลักเราพิจารณาไปก็ได้ว่ า, าสิ่งที่สิ่งลูกยางในโลกนี้มีแค่ธาตุหชนิดเท่านั้นเองมีนน้ำลมไฟมีใจมาผสมกันเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นอะไรต่างๆรวมกันแล้วอนเดียประแยกกันอันเดียวก็กลับมารวมกันใหม่ก็มีอยู่แค่นี้พิจารณา น, นี้ไปอยู่ดีมันก็มันก็จะระงับาอคิดเพ้อเจ้อคุ้นซ่ า, ท, าที่ไม่ได้เห็นมีอยู่ ไม่ก็เราเปลี่ยนช่องโทรทัศน์มาดูเท่านี้แล้วช่องทรทัศน์ตรงนี้เรไม่มีติธรรมละเลยเรื่องเพื่อเจ๊แล้วก็กดก ด, ดีหมนเปลี่ยนช่องไปดูช่องข่าวช่องสาระดีที่มันมีมีประโยชน์อะไรไปเนี่เราก็เปลี่ยนใจแล้วก็เหมือนกับท่องเหมือนกับทรทัศนเนี่ยมันมีหลายช่องอยู่ที่มันจะไปไปไปไ ป, ไปผุดอยู่ในช่องไหน บาไปช่องเที่ยวช่องบิดผมก็จะคิดว่าที่นั่นดีที่นั่นน่าเที่ยวที่นี่ น, น, า น, น, น้าไปพวกที่ชอบกินก็จะไปผดช่องอาหารมีอาหารเงินที่มีน้าไปรับประทานก็เป็นพวกทําหนั้นก็มีวัดนั้นมีวัดนี้มีครูบาอาจารย์เราก็เราก็เปลี่ยนช่องได้เราสามารถคิดไปแต่ในเรื่องที่ แล้วถ้าเราใคยฝึกบังคับใจให้คิดเป็นเราสามารถจะควบคุมความคิดเราได้ถ้ามันต้องคิดเธอเจ้าเราก็บอกให้หยุดเธออย่าไปคิดเลยเธอเจ้คิดเรื่องที่มีสาระดีกว่าคิดเรื่องเกิดแก่สิ้นกายคิดเรื่องอนิจจทุกขังอนัตตาดีกว่าคิดเรื่องอริยสัจทุกเกิดเพราะอะไรทุกเพราเกิดจากความอยากต่างๆเกิดจากความหลงทุกจะดับได้เพราะอะไรทุกจะดับได้เพราะปัญญาเพราะเห็นว่าไม่มีอะไรถึงต่างๆในนอกนี้ที่น่าหลงหน้ายินดี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 พอเราสามารถถักเปี่ยนมันได้ในปัจจุบันนี้อนาคตนี่เราควบคุมได้ด้วยด้วยการกระทําในปัจจุบันนี้เพราะผลในอนาคตนี่มันเกิดจากการกระทําในปัจจุบันกันเราอยากจะให้อนาคตดีแล้วก็ทำดีดีจะนัรนภาวนาเบญนักพงศ์ยุคลงก็บอยมาเองถ้าเรานั่งคิดนั่งกังวลอย่างนี้มันก็ไม่มาหรอกมันก็จะมีแต่ ตายพบมาหาเราเนวาตายเกิดอยู่เรื่อยคือมืสักปีเนี่ยคือพอเริ่มป็นัติตัวคิดว่าตัวเองแ่คทจะตองเอ๊พอเห็นนหนึ่ง่าจากรรถอยู่เฉยๆนะคะรถเป็นวิ่งเข้ามาหาแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องทำยังไงที่เราเรก็เห็นรถวิ่งเข้ามาเฉยๆ โดยที่เราต้องบังคัว่าจะถูกจอดจนสับแสไฟแดงแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเขาเห็ตรงที่บ้างเขาก็เลยเบ้มาแล้วมันก็ตั้งหน้ากับคนเราเลยอ่ะแล้วเขาก็เบ้ออกในขณะหน้นเราควรจะทําอะไรไม่ให้เกิดความกลัวเราก็เห็นมาชวนก็ชนเลยวะชนก็ชวนเลยก็เลยกลัวก็ต้องกล้าอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะเกิดก็เกิด เรานิ่งไว้ตลอดต้องกำหนดไปให้รู้ตัวว่ากำลังจะชนก็ให้มีสติดู อ, อยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดแล้วดูปฏิกิริยาของจิตเราในขณะที่เกิดเหตุการณ์นั้นถ้านิ่งเฉยได้ก็ไม่เป็นะร่างกายจะเจ็บจะปวดจะหยุดมงมหายใจแม้มีสติรู้อยู่ไม่หวั่นไหวก็ไปดีเลยไปนิทานเลยก็ได้อาจารย์อยู่ที่ใจตัวเดียวรักษาใจตัวเดียวด้วยสติด้วยันนด อย่าให้ใจตื่นอย่าให้ใจตสนุกอย่าให้ใจวุ่นวายให้นิ่งเฉยเมือนกับเราดูหนังผีหนังอะไรเนี้ยเพนั้นเหมือ น, น, นหนังแท้ทีวตของเราเนี่ยใจเป็นผู้ดูแต่ใจเชื่อเป็นของจืนงภาพนั้นมาติดหนูที่หนูมาตอนนี้มันเป็นสัญญาติดกันกับใครภาพมั น, น, นติดก็ดีก็อามาเป็นเป็นสัญญาเตือนสติว่ามันเวลาจะตายมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้แล้วเราต้องฝึกใจของเราให้รั บ, บภาพนั้นได้ ไม่ถึงภาพนั้นแล้วลใจของเราน ม, ม่เฉยไม่หวันห่นไหวได้ก็เป็นสัญญาเป็นเป็นเป็ น, ปนร้อนมานามสติไปขึป้นเป็นภาพที่มีคุณในทางวิปัสสนาเพราะมันเป็นภาพเหตุการณ์จริงที่เราผานมาแล้วเราก็ควรทามันเจริญอยู่เรื่อยัอย <c oughs> นจะพยายามจะลบยายจะลบพยายจะไม่นา่น า, น า, นาแต่ ถ้าเหมือ น, นคนที่ผ่านอุบัติเหตุใกล้ตายแล้วรอดตายมาเนี่ยเขาจะมีทัศนคติกับชีวิตที่ต่างกับคนที่ไม่ได้ผ่านเหมือนกขาก็ไม่อได้เกิดใหม่ถ้าก็มีปัญญาก็มีธรรมะเป็นพื้นฐานหนึ่งก็จะปรุงได้ในช่วงชีวิตกระแค้นี้แต่ถ้าไม่มีปัญญาเขาก็มีถ้ามีความหมนักเขาก็คิดว่าเออได้มีโอกาสใหม่ เราต้องรีบไปหาความสุขมาได้เที่ยวมันได้กินมาได้เล่นมาก็ไปได้สองทางเหมือนกันหรือที่ว่าเราจะใช้เหตุการณ์นั้นมาไปให้เกิดประโยชน์ในทางเกิดในประโยชน์ทางธรรมะก็เอามาปรุงอยู่เรื่อยๆขอให้ใจไม่ให้หลงระเริงอยู่กับการมีชีวิตอีู่ให้ไม่ให้หลงระเริงกับการหาความสุขที่จะต้องมีจุดจุดหมายปลายทางโดยการสิ้นสุดลงในวันใดวันหนึ่ง แต่ถ้ามีความหนงอยู่มันก็จะไม่คิดอย่างนั้นมันก็คิดว่าเหมือนกับว่าได้โอกาสใหม่ฉันต้องรีบตับดวงช่วยโอกาสหาความสุข <c oughs> แต่อย่างนั้นก็ไปตามความโหมน่งกเดิมื่อเดียเด๋ยวก็ต้องไปเกลแบบเดิมอีกพอถึงวินาทตอนนั้นก็ไม่มีสติสต่างที่จะรับกับเหตุการณ์นั้นก็จะวุ่นวายเดือดร้อนไปแต่ถ้าเราเรามีคอยเตรียนสติคอยสอนใจเรื่อยๆว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้อีก แล้วเราจะต้องทําใจของเราให้นิ่งให้สงบไม่ให้หวัน่นไหวไม่ให้หวาดกลัวแเราจะผ่านไปได้อย่างสบายมีความสงบเวลาอยู่ก็มีความสุบไม่หวาดกลัวกับเหตุการณ์ตการที่จะเกิดขึ้นพราะเรารู้แล้วเมื่อมันเกิดขึ้นเราจะทอํอย่างไรกันหนึ่งเหมือนกที่เขาซ้อมเวลาซ้อมดับเพลิงหรือเพลิงนี่ไฟถ้าไม่เตรียมการไว้ก่อนเนีจยเกิดไฟไม้นี่ยมันโอมากลัวลาหง ไม่รู้จะขึ้นข้างบนดีหรือลงข้างล่างดีแต่เวลาถ้าเราได้ฝึก ด, ดีไฟแล้วก่อนพอเราถึงเวลาเราก็จะลุออกตั้งใจทางนี้ไป่างนี้ทางนี้ทางนี้ก็จะไปได้อย่างปลอดภัยใหญเราก็ต้องฝึกตอนวิธีที่จะประเจญกับความตายให้ได้ก่อนก่อนที่ตายเพราหนี้สอนเราให้ตายก่อนตายถ้าเราตายก่อนตายได้แล้วพอตายจริงก็เหมือนกับเหมือนกับยัน เรื่องธรรมดาเราทชอบมาแล้วเราผ่นี้ <c oughs> จากวสําคัญก็อยู่ตรงที่ว่าขอให้เรารู้ว่าใจของเราไม่ตายแต่ของทุกอย่างที่ใจเรามาครอบครองนี้ต้องตายจากเราไป <c oughs> งั้นเราอย่าไปเสียดายของทุกอย่างในเรื่องนี้เมื่อถึงเวลาเขาจะตายก็ให้เขาไปครั้งนี้เราก็จะไม่ยืดเวลา มันอยู่ที่การเจริญอยู่เรื่อยๆนะถ้าไมเจริญไม่ไม่ลดไม่ถึงมันเรื่อยๆเดี๋ยวมนส่นจะถูกความหลงมามาทาหน้าที่แทนจะทาให้กลัวจะทาให้หวงจะทาให้ห่วงจะทาให้เสียใจยแต่ถ้าพิจรณอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะไม่มีไม่มีควา ม, วมนนาไม่สุขนั้นเกิดขึ้นได้มีนมถเลียงปลาในตู้ปลาไม่ขายถ้าม่ฆ่าเขาไม่แบบอ๋ อ, อเลยงได้เหรอยได้ค มีแต่ก็เลี้ยงแบบให้มีความเมตตาดูแลเขาให้ดี<โ>เปลี่ยนน้ำบ่อยๆให้เขาอยู่อย่างมีความสุขพี่<อ>ชายจะเลี้ยงพยายามบางังคับบอกแม่เลี้ยงเขาเกษรีนะถ้าปล่อยได้ก็ยังดูอางาจะได้หมดภาระไปื่อนแกก็กพาหมึกไปซื้อลูกน้ามาก็เราเพื่ส่งเสริมไหมคะอลจะก็เหมือนก้าไปซื้อของเป็นมาตอนนี้ยงเขาก็าต้องใหอาหารที่ไม่ใช่เป็นอาหารนั่นก็เป็นสิ่งที่ ก็เหมือนกับว่าเราเอาเอามาฆ่าเขาแต่เราเราเราจะซื้อของของปลามาแ ล, ล้วเราต้องกินแต่เราไม่กินเองเราไปให้คนอื่นกินเลยปลาตัอกินถ้าถ้าต้องเลี้ก็เลี้ยงแค่อาหารที่ไม่ใช่ไ ม, ใชไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีชีวิตแต่ถ้ามีญาตก็ปล่อยก็ให้ไ ป, ไปอยู่ต่างทำมาต่างก็แล้วก็ยังมันมันก็ถูกขั้งอยู่ในกรง เราก็คงไม่อยากจะถูกรั้งนี้นะครับเราก็อยากจะแหวกว่าไปตามที่ต่างๆโดยอิสราท่าพก็ถ้าดิถ้าทำได้ก็ไปปล่อยดีกว่าอย่าไปไปเล่นก็เลยนจะไปซีอ้อค่ะอ๋อเนี่อย่าไปซีเลยข้าอันไหนที่มันห้ามได้อย่าไปตามใจเลยบอกนี่ว่กมันไม่ดีบอกมันบากปกรปรมป่ามันเป็นมันเป็นภาระ มันไม่ได้ดูปลาเก็บถ้าอยากจะดูปลาเนี่ยหน้าพาไปดูที่โอเชียนเวิลด์ได้หรือว่พอถ่ายถ่ายวีดีโอมาอยากจะดูตอนไหนก็เปิดดูได้แต่เลี้ยงสุนัขดีกว่านะคะไม่เลี้ยงอะไรเลยได้ดีแต่แต่ถ้าจําเป็นจะต้องเลี้ยงก็เลี้ยงไปถ้าเกิดมันมันผ่านมันมันอยู่ในฐานะที่เราต้องเลี้ยงมันก็เลี้ยงไปเล <c oughs> ี้ยงต้องผูกนะ น้องจาร์ท่านก็เลี้ยงแต่ถ้าไม่ได้ไประหยัดแค่เลี้ยงมันนะแต่มันก็มีคนออมาถวายท่านท่าน ก, ก็เมาท่านอยู่ในฐานะูก่อจะเลี้ยงดีมันได้ก็เลี้ยงมันไปแต่อย่าไปยึมลไปหาอะไรมาเลยมันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเนีเ่ยเป็นภาระภาระที่มีอยู่นี้ก็พอแล้วไาภาระมันม า, มากกว่านี้หาความสุขแบบนี้ก็ไปอยู่วัดดีกว่ามันความสุขเยอะ อันนี้ก็เลยเมื่อก่อนนี้ในเว็บก็ใส่เป็นชื่อกำลังใจแต่ตอนนี้ก็เลยแยกเป็นนั่นคืรมทั้นกำลังใจไปเข้าไปดูนะ ดูกันเองใช่ไหี่จะไ้ยากเป็นวรรมท่านหนึ่ถึงสิดสองสองปนะจ๊ะทำนั้นก็เหมือนกันเพียแต่ใชชื่อไม่เหมือนกัน่เอมีคนคนหนึ่งเขาเขาได้เรื่องแปดไปในเน้่าแล้วก็อกว่าเขาก็ไปดูในเว็บมันมีแต่กาลังใจเต็มไปหมดแต่ไม่มีวัฒนธรรมะไรเราเลยต้องบอกเขาว่าเรื่องเพ่เป็นอักษรสองตัวสีเขียวๆนี่ที่เป็นไายเลือกสีเขียวๆนี่เป็นวัฒนธรรังนั จะสังเกตกำลังใจจะมีให้สีสีดำกับสีเขียวตา้งแรกที่ตั้งแรกสีเขียงนแสดงว่าเป็นเจรธรรมำใจนี่ทีตอนนี้ก็เลยยากหน่อยยากนยากถ้าอยากจะอ่านเจริธรรมถ้าสามารถได้นะตั้งใจเข้าไปในเว็บไซต์อ๋อกา .com เดี๋ยวตั่งคุยกรรมานหนังก็มีไม่ไม่มีแล้วเนี่ยไม่มีไม่มีนมีนกำลังใจนี่ ไม่เอมีมนะมีน่าจะมีมีแต่มีใจเลยไม่มีนมีเลยไม่สิมีค่ะไม่ได้ยเยใครมอใชชหรือคนที่นแผ่นซีดีนี่ก็มีครบทุกเล่นเลยชอมีคอมนี้เปิดเข้าไปอ่านได้เราใส่ไฟล์ไว้ละไฟเอชพีแล้วแอนเลมนิงเทนเลมสี่สิบ เนืให้พอนะวันนี้มาเร็วก็เลยเปิดงนกันงเัือบ3ชั่วโอยากถาวรวะฮาปุราตริปุเรนติสาการังเอวเมวะอิโตหินนางเตตานางอุปกาสตติอิชิตังปัสตามตุหังทิตาเมวะอุนิจตุตัสมวะตุรนตุสังตัปป จังโทปั ญ, ญาระโสยาคามณิโธติระโสยถ า, าสักขิติยริว า, าสังโตจาคารโควินัสสโตมาเตทวะตมัายโยสิกิกาโยวะ อาภีธรรมสิติจังนิทะปะจายโนสจจารโหธัมาลทาติปะ ย, ยุนนะะยวันโยสุขังอะราง